อาจารย์ครั บ, บกล่าวธรรมสกานให้ผมอาจารย์ได้ยินเสียงบีชใช่ไหมครับขอบพระอาจารย์ต้องใส่หูฟังอาจารย์ได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยิ น, น, นอาจารับท่านท่านคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับก็ช่วงนี้ดูข่าวนี่น่าจะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องอาจารย์หมอที่เชียงใหม่ครับอาจารย์ อาจารย์ครับที่อยู่ๆก็ชีวิตกําลังรุ่งเรืองแล้วก็ไปตรวจพบก่าตัวเองเป็นมะเร็งในที่สุ้ายนะครับผมก็เลยกลาบเรียนถามอาจารย์ในมุมมองของศาสนาว่าทางศาสนาพุทธมองเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับตอกคำนิจจ์ด้วยก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพจนาถ้ามีปัญญาเห็นเห็นใจรักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคำว่านิจจ์ันก็คือไม่มีอะไรที่ยิ่งแท้แน่นอน ไม่ถาวรต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ชาติพิจารณาตายลักอยูเรื่อยๆอย่าไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาคือเราไม่ไม่พิจารณากันเราไม่ชอบเพราะการพิจารณาเรื่องของความไม่เที่ยงนี้มันทําให้ใจเราวันว่นวาย ทำใจให้เราหดทู่ทให้เราไม่มีกำลังใจที่อยากจะทำอะไรต่อไปมันก็เลยไม่กล้าพิจารณากันเมื่อพิจารณามันก็ลืมมันก็เลยหลงไปอยู่กับหลงอยู่กับชีวิตก็เลยคิดว่าชีวิตจะเป็นไปอย่างราบเรื่นไปจนถึงอายุเก้าสิบปีร้อยปีซึ่งเหมือนไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาคนในีตายได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อยู่ในคันก็ตายแล้วใช่ไเด็กงคนนี่ตายในคันออกมาจากคันวันแรกก็ตายกันเลยตายเนี่หนึ่งวันสองวันสาวันเราไปดูสถิติไม่ถึงมีคนตายอายุทุกอายุนี่เราไม่ยอมพิจารากันเราไม่ศึกษากันมันก็เลยคิดว่าคนจะต้องตายอายุเก้าสิบปีร้อยปีเงี้ย่าความจริงถ้าเราไปดู ดูสถิติมันมีทุกอายุแหละเพียงแต่ ว, ว่าอาจจะไม่มากเท่ากับคนที่สงอายุเาส่วนใหญ่คนกลุ่มใหญ่ที่จะตายนี่จะตายในช่วงที่อายุเกินหกสิบไปแล้วน ะ, ะกลุ่มที่อายุน้อยนี่ก็มีมากแต่จะไม่มากซึ่งอาจจะนานๆอาจจะเป็นข่าวสักครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นของที่แปลกแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา นี่จะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบล้วครอบคุมก็จะเห็นว่าชีวิตนี้เป็นเหมือนแขวยบนเส้นได้เส้นได้มันจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้พระเจ้าถึงสอนให้ผ่านนนำลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย การรำลึกเหล่านี้เพื่อสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมตายกันเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจหัดตายกันให้เป็นเพราะเราตายไปแล้ว เ, เราจะไม่กลัวความตายแล้วก็เวลาที่เวลาที่เจอความตายก็จะไม่ทุกข์ทรมานอันนี้แหละสาเหตุที่ชาวพุทธเราที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามันพิจารณาความตายอยู่เรื่อยมาอ น, นุสติเพื่อให้เราจะได้ รู้ว่าเรามีข้อสอบที่เราจะต้องทํากันรีบทําการบ้านเสียเนี่ยแล้วข้อสอบนี้ก็เหมือนกับอาจารย์บางคนบางทีจะให้ข้อสอบบางทีจะสอบนักเรียนไม่บอกล่วงหน้าน ก, นก่อนก็มีสไว้ก่อนกคยเจอไหมเคยในหนังสือเจออาจารย์แบบนั้นหอหาวันนี้สอบ <c oughs> วันนี้สอบวิชานี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องบอกล่วงหน้าก่อนอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้ไม่ให้ประมาทให้ให้เตรียม เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ถ้าถ้ารู้ว่าจะไปสอบปลายเทอมนี้นักเรียนบางทีมันก็ประมาทขี้เกียจเอ้าเวลาไปเล่นก่อนนีกว่าไปทำอย่างอื่นก่อนไว้ใกล้ๆแล้วค่อยมาดูไว้ใกล้ๆแล้วค่อยมาดูอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราทุกคนก็คิดว่าไว้ใกล้ๆให้แก่แให้ให้แก่ก่อนแล้ ว, ใ ห, ใ, หลวให้เข้ า, าวัดเพื่อเป็นเตรียมตัวตายที่มันไม่แก่เราจะทำไงถ้าเกิดมันจะตายก่อนไม่แก่ เราคิดตั้งแต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มว่าเราจะต้องเจอความตายวันใดวันหนึ่งมันอาจจะทํากระตุ้นให้เราเริ่มไปศึกษาวิธีวิธีประเชิญกับความตายว่าทำอย่างไรประชิญอย่างไรที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ไม่เครียดกับมันอันนี้หละเป็นสาเหตุที่ที่ควรจะกระทํากันแต่ไม่ทํากันเพรามันเกิดเหตุการณ์ใกล้ตัวเรามันก็เลยทําให้เรา ตกใจกันนะเพราะเขาเป็นคนอายุรุ่นเร า, เ, ราเขาเดียวกับเราใช่ไหมด้วยอ่อนกับเราด้วยทราบไหม <Okay. S 1> น, นกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเขาแล้วามาเฮ้ยมันใกล้ตัวเรานะเราก็ยังไม่แก่เลยอาจจะกุมปอดดูก็ได้กุมหวงดูได้เลยได้มีอาการอะไรหรือเปล่าไอ้หรือเปล่าเพราะไอ้นิดนี่ฉันนั่งคิดนะเป็นมะเร็งในปอดหรือเปล่าโยมพระเจ้ารงสอนอย่าประมาท ให้พิจรณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะของใกล้ตัวเราของที่เราลักของที่เราห่วงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร่ก็ได้ไม่คครรู้นอกจากร่างกายของเราและร่าง ก, กายของคนที่เราลากเราอเราชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องพิจารณาด้วยพระเจ้าบอกว่าเราต้องมีการพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง น, นี่แหละคือเสิ่งที่ชาวพุทธเรา <c oughs> ขาดกันคือไม่เห็นความสําคัญหรืออาจจะไม่ชอบไม่ชอบคิดถึงเรื่องราวนี้เพราะลกลัวว่าเวลาคิดถึงเรื่องราวนี้เ ห, หมือนกับเป็นการแช่งตนเองพูดถึงความตายนี่เหมือากับกาแช่งตัวเองให้ตายอย่าง้็เลยไม่มีใครกล้าแม้แต่คําว่าตายก็ไม่ไม่กล้าใช้กันในใ น, ในสังคมมีคําแทนกัน พระเจ้าแผ่ดินตายก็สวรรค์ละคดเนี่ยพระตายก็เ่าะพระตายก็นิพพานถ้าเป็นพระเกจิท่านนิพพานถ้าเป็นผู้อยากุใหญ่ก็ถึงมาสัญญกรรมแต่คําว่าตายนี้ไม่ให้พูดพูดไม่ไพูดแล้วเหมือนกับสาวแช่งแต่คำตายนี่แหละเป็นปัญญาเป็นเครื่องรักปัญญาใครที่คิดถึงเรื่อตายแล้วจะฉลาด จะไม่ประมาทจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วต้องมีการการาักษาจากกันไปไม่จา ก, กันตอนเป็นก็ต้องจา ก, กันตอนตายแล้วถ้าถ้ายังมีความทุกข์อยู่กับความตายก็ศึกษาวิธีว่าเราจะตายเราจะอยู่ควาตายอย่างไรที่ไม่ให้ทุกข์นั่นก็จะสอนให้เราฝึกสติฝึกสมาธินั่นเอง ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีอวัยคา้วทีนี้ก็เฉยความเฉยได้เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าตายเป็นตายเป็นนี่คือยังไงครับพระอาจารย์ก็ซ้อมตายก่อนตายฝึกตายก็ฝึกสมาธิฝึกสติให้มอวัยคาแล้วก็ไปหาสิ่งที่น่ากลัวไปหางูหาสัตว์อต่างๆดูว่าเวลาเจอเขาแล้วเราจะทําอย่างไร นิพพานไปอยู่ในป่าไปหาเสือหาสาตว์ช น, นิดก็เพื่อไปพิสูจน์ว่าได้เตรียมทําการบ้านมาพร้อมหรือยังมีสติปัญญามีสมาธิพร้อมที่จะประชิญกับเหตุการณ์จริงหรือไม่เพราะบางทีเรายังไม่เจอเราก็ยังไม่รู้แต่เป็นแต่คิดไว้เราไม่กลัวตายเราพิจนะารณารอบคอบแล้วเราต้องตายแต่ของจริงกับของที่เราคิ ด, ดนี่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ <c oughs> ดังเรื่องความมั่นใจต้องไปเจอของจริงกันครับอาจารย์ครับก็มีอีกคําถามหนึ่งที่คนจะถามกันเรื่อยว่าเออทำไมเหตุการณ์ได้ร้ายมันถึงมาเกิดขึ้นกับคนดีๆได้เงี้ยครับอาจารย์ครับมันไม่ใช่เรื่องของคนดีหรือคนไม่ดีเรื่องเหตุการณ์มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยครับเแต่ว่าเราน่าจจะไม่ได้ไปเก็บสถิติแล้วพอมีเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของคนคนเดียว การนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนชั่วเยอะแยะก็ได้แต่ไม่เป็นข่าวดัง mm hmm. ธรรมชาติไม่ยกเว้นด อ, อกคนดีคนชั่วคามตายมันไม่เลือกว่าคนคนตายคนดีจะตายชา้ากว่าคนคนชั่วมันไม่มีมันไม่เลือกธรรมชาติโดยอย่างใซตของการตายมันก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันเพราะอย่างมันอาจจะเกี่ยวกับคนดีคนชั่วเช่น มีการมีการพูดหรือมีการแสดงธรรมหรือแปความหมายว่าคนที่ตายเร็วนี่อาจจะเป็นเพราะทาบาปมามากทําให้มาเกิดแล้วมีอายุสั้นคนที่ฆาดสัตว์ตัดชีวิตนี้มักจะมีอายุสั้นอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอีกลานีหนึ่งเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนอายุยืนหรืออายุสั้นก็เรื่องบุญหรือบาปที่ทํามาในอดีตชาติแต่มันไม่ใช่เป็นปัจจัยตัวเดียวเท่านั้นม่นมีปัจจัย ทั้งอื่นด้วยคือความไม่แน่นอนของธรรมชาตินี่แหละมันก็เป็นตัวที่ทําให้คนตายได้ในกันแย่งโลกระบาด เ, เกิดสงครามเกิดภัยพิบัติอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะธรรมชาติมันไม่เลือกคนใช่ไหมน้ําท่วมมันไม่เลือกบ้านคนคนจมนมันไม่เลือกคนรวยนะมันท่วมมันหมดนะอันนี้ก็เหมือนกัน แต่เรื่องบางเรื่องถ้าเป็นกฎแเรื่องของกรรมนี่มันอาจจะเลือก <c oughs> คนที่ทําบาปมี่มันจะตายตายง่ายตายอายุสั้นกว่คนที่ทําทําบุญบามาอันนี้แต่อันนี้ก็พิสูจน์ยากว่ามันมันมันรู้จะจัดแพชชนใจอฮะเพราะเราก็อตชาติแล้วก็จําไม่ได้ว่าเราทำบุญทําบาป ม, มากน้อยเพียงไรอันนี้ก็ต้องถือต้องต้องเชื่อแล้วกันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสง สอ่อวิเคราะห์ด้วยปัญญาของพระองค์ส่องเห็นว่าอันที่สองของการทําบาววิบาสของการทําบาวก็คือจะทําให้เกิดมาแล้วมีอายุสั้นอาการไม่ครบสามสองมีโรภคภัยไข้เจ็บเลี่ยนเบี่ยนมีรูปร่างหน้ า, นาตาไม่สวยงามอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปดังนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทุกส่วนที่จะมาทําให้เกิดความตายขึ้นมา นั้นถาพิจารณาตายลัแล้วกมันครอบคลุมหมดเลยตายละก็คือมันไม่เที่ยง ม, มันต้องตายไม่ช้าก็เร็วสิ่งนดยมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานล้วก็ไม่มีใครมาลังับกดแฮตตัวนี้ได้อนาตตามันก็บอกมันไม่มีใครมาห้ามามาเปลี่ยนแปลงนั้นอันนี้ได้ความจริงอันนี้มันเป็นอนาตตามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจแม้แต่พู้เจ้าเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ พระเจ้ามีความรู้ความสามารถมีมีอภิน ญ, ญามีมีฤทธิ์มีเดชแต่ก็มาแก้กดแห่งอตายรักนี่ไม่ได้นางกายของพระเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันแล้วก็ตายบางทีอายุสั้นกว่าสาวกของพระ อ, องค์ตายเพีงอายุแปดสิบสาวกขางรูปอยู่ถึงร้อยปีก็มีหรือมากกว่านั้นก็มีนั่นก็เป็นเรื่องที่อ น, นิจจามันดีทสุด พิจารณาเป็นอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงจะตายได้ทุกเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งถ้าเราไม่ประมาทเราต้องคิดอย่างนี้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้นะให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้จะได้หาทางออกหาว่าจะทำยังไงที่เราจะตายแล้วแบบไม่ทุกไม่อยู่ก็ไม่กลัวความตายตเวลาตายก็ไม่ทุกข์ ไม่ทรมานก็ต้องเนี่ยก็ต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติสติสมาธิแล้วแล้ว ก, ก็ปัญญานี่รันนี้ก็เลยหลายๆคนก็เลยได้มรณานุสติไปไปใช้ชั่วคราวก่อนเลยนะครับชั่วคราวเดี๋ยวก็ลืมกละใช้ชั่วคราวเป็นเหมือนแท้ตอนนี้แท้มันเป็นแนมันก็จะเจ็บหน่อย เลีวยพแพหายก็ลืมแล้วกลับไปไปใช้ชีวิตแบบเดิมนอกจากคนบางคนที่มีได้สติได้ได้ได้ระลึกถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงความสำคัญของการเจริญมรณนะสติก็จะามาคิดบ่อยๆทบทวนอยู่เรื่อยๆการเห็นครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงก็เรียกว่าสุตตะมายปัญญาคือได้ได้รับปัญญาแต่เป็นแบบจากการเรียนรู้จากการได้สัมผัสรับรู้ เรว่าสุตตมายาปัญญาโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเกี่ยวกอบคต า, ายอย่างนี้มันก็เป็นเริ่อสุตตามายาปัญญาถ้าเราไม่เอามาเจริญต่อมันก็จะหนึ่งมันจะชางหายไปยิ่งถ้าเราต้องการจะรักษาปัญญานี้ไว้เราก็ต้องจเจริญพิจารณาอยู่เนื้อเนื้อการพิจารณาอยู่เนเนื้อก็คือเรว่าจินตามายาปัญญาจิน ต, แต์แปลว่าจินตนาการเนี่ย จินตาให้จินตนาการให้หนึกถึงความตายเรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าสอนท่านอนอนเธอเราเรื่องถึงความตายวันละกี่ร่บอนอนก็บอกวันละสีห้ารอบพระเจ้าบอกไม่พอแต่ต้องหมัน่นเราเรื่องถึงความตายแบบทุกลมหายใจเข้าออกเลก็ เ, เธอจะไดนไม่ลืมเมื่อไม่ลืมแล้วเธอจะได้รีบไปซ้อมตายไปฝุกตายตายเป็นก่อนที่จะตายจริง การวิธีซ้ำที่จะตายแบบไม่ทุกข์ก็คือต้องไปปฏิบัติทำต้องไปเจรณญสติทําใจให้มีอุเบกขาให้ได้เ่อใจมีอุเบกขาแล้วใจจะเน่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้อันนั้นก็จะกลายเป็นภาวนามยัปัญญ า, า, าขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาแล้วปัญญ า, าที่เราได้จากจินตาก็จะมากลายเป็นภาวนาไปพอเรามาภาวนาทำสมถะภาวนาให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาในใจ ถ้าจินตาหรือสุดตาในใจยังหวั่นไหวอยู่เวลาคิดเห็นความตายแล้วใจยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่แต่ถ้าเราไปภ า, าวนาไปเจริญสมสถะภาวนาให้ได้อุเบกขาเอามอุเบกขาล้วมาพิจารณาความตายแล้วจะรู้สึกเฉยเฉอาจจะไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปหาสัตว์เสืออะไรก็ได้ถ้ามีความมั่นใจว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่หวั่นไหวแล้วกับความตาย นี่ได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์การเสี่ยงที่เกิดก็คือทั้งสองอย่างขาดจินตาไม่ยอมปัญญาขาดสุตตะบางคนไม่ยอมไปเห็นเรื่อความตายเลยงานสดบางทีของคนยังไม่กล้าไปกันเลยพยายามที่จะปิดเรื่องความตายไม่ให้เขาสู่ใจอันนั้นก็เป็นการ ป, ปิดทางเดินของปัญญาทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างน้อยที่สุดตาก็ยังดีแล้วนะครับอาจารย์ช่วงสุตาชั่วคราวแล้วขั้นต่อไปพยายามเอามาคิดบ่อยๆให้นึกถึงทุกวันพระเจ้าสอนชาวพุทธเราให้เราลึกถึงความตายความแก่ความเจ็บความตายทุกวันครับมันจะได้มีมีความระมัดระวงังมีควา ม, มไม่ไม่ประมาทจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เพราะว่าถ้าเรารู้มันจะเกิดขึ้นแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจเวลาเกิดขึ้นมันก็จะ ไม่รุนแรงความทรมนานความทุกมันจะไม่รุนแรงก็ อ, อยู่ว่าเราสามารถทําใจได้มากน้อยเพียงไรถ้าทําใจถึงขัน้นอุเบกขาได้ก็จะไม่สะเทือนใจเลยผมจะตั้งใจนึกทุกวันนะครับอาจารย์ครับยังไม่ได้เยอะเลยยังไม่ได้ทุกวัน น, ะ น, กนึกจริงจริงนึกอยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับ <laughs> จริงๆงก็นึกอยู่ทุกวันครับแต่ต้องพากปล่อยกวเก่าครับอ า, า, าจารย์อาจารย์ะหลายครั้งใหม่ อัจจะบ่อย ๆ, ๆ, ๆเห็นหน้ากายของเราเห็นหน้ากายหมายว่าเดี๋ยวก็ต้องาตายนะต้องตายจากกันนะครับมาพระคุณพระอาจาร น, นะครับขอโอกาสถามจาก เ, เพื่อนๆบ้างนะครับคุณวันทนีครับระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแต่พอความเจ็บปวดเข้ามากลับทนไม่ไหวทั้งที่ไม่ได้รุนแรงอะไรและเวลาจะตายจริงๆจะทนได้ไหมกลัวใจจริงๆมีวิธีไหนจะทําให้ปรงได้บ้างคะ เ, เรื่องความเจ็บปวดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละข้อสอบกันการเจ็บปวดนี่เราก็ต้องทำการบ้านเหมือนกันก็การฝึกสมาธินี่แล้วก็ใช้สติทำใจให้นิ่งเฉยเวลาที่เจอกับความเจ็บปวดน้อมนาที่แล้วเวลาเกิดการเจ็บปวดอย่าขยับอย่าขยับนั่งกายปล่อยให้มันเจ็บไปแล้วเราพยายามใช้สติมาระงับความความทรมานใจความทุกใจ ถ้าเราสามารถมีสติทำใจให้นิ่งสงบเป็นอบเบกาได้ก็สามารถอยู่กับความเจ็บปวดได้ไม่ทรมาอันนี้เป็นในข้อสอบหนึ่งคนละข้อสอบนั้นมันมีสองข้อความตายหนึ่งความเจ็บหนึ่งที่เราจะต้องทําวิธีทําก็ไม่เหมือนกันวิธีทําข้อสอบของความเจ็บก็ต้องเจอความเจ็บแล้วปล่อยวางมันให้ได้ปล่อยให้มันเจ็บไปโดยที่ใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บ ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีโอเบขาเราก็จะวางเฉยได้เพรเราจะพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักเหมือนกันความเจ็บป่วยก็เป็นอนิจจไม่เทียมเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลามันเกิดเราจะได้ให้มันไปมันไม่มันไม่ไปมันไม่ไปเราก็ต้องอยู่กับมันอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยโอเบขาถ้าเราไม่สงบใจเราจะวุ่นวายใจเราจะทุกข์จะทรมาน เราก็ต้องใช้ ค, ำคํำอะไรคำพูดทอลพดโทพดโทอลทอลไปให้มันสงบให้ได้ถ้าสงบได้แล้วทีนี้เราไม่กลัวความเจ็บพะอาจารย์ครับพระโสดาบันนี่ละทั้งความเจ็บและละกลัวความตายไปหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ทั้งสองตัวนี้เพราะมันเป็นอยู่ในมันเป็นเรื่องของขันท่าความตายของร่างกายก็เป็นรูปประคันความเจ็บก็เป็นเลสธนาเป็นาประคันสองตัวมารวมกันก็เป็นขันท่า ม่วางกันฆคุณทีครับการรุนยฆ า, าเป็นบาปไหมครับทั้งในแง่ของผู้ทำให้และผู้ให้ทำส่วนตัวคิดว่าเป็นบาปครับน่นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแน่นอนการการฆ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใด น, น, นี้ไม่มาลล้างบาปนี้ได้วิธีจะทำให้มันไม่บาปก็คือปล่อยเขาตายไปาโดยธรรมชาติของเขาในาตคนตาย คนคนที่คนที่ฆ่าตัวตายก็บาปเหมือนกันอย่าว่าแต่ฆ่าคนเลยฆ่าตัวเองก็บาปอย่างอยากฆ่าเพราะมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาหนึ่งแล้วมันเป็นการเป็นการฆ่ามันเป็นการ ค, าความโหดร้ายทางุณของของจิตใจของคนที่ฆ่าคนที่ฆ่าจะแสดงว่าไม่มีความเมตตาแต่มักจะใช้คําว่าการุณแทนคำกรุณา ตอนที่มีการโควิดไม่ฆ่าไข่ดังนั้นอยะก็จะช่วยพยายามช่วยให้คนที่เขาเจ็บคไข้ได้ป่วยนี้ให้ได้เท่าที่ทําได้ก็แล้วกันแต่ว่าจะช่วยได้อย่างไรแต่ถ้าให้ยาเพื่อให้เขาตายนี่ไม่ถูกถึงแม้จะเป็นคือถ้าให้ยาแล้วทําให้เขาตายนถ้ามี มีความตั้งใจว่าให้ยาเพือให้ก็ตายนี่ก็เป็นการฆ่าแต่ถ้าให้ให้ยาเพื่อเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดเช่นมียาแก้ปวดอะไรตางนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าคุณนารินครับการนัมิสการพระอาจารย์ค่ะการซื้ออาหารเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องถือเป็นการทําบุญหรือไม่ถ้าเป็นบุญแล้วอุทิศให้ได้หรือไม่คะได้มันก็เป็นการ เป็นเป็นบุญเหมือนกันเป็นทำเป็นทานเหมือนกันเป็นทานก็สามารถที่จะอาทิศบุญได้เหมือนกันคุณจูนครับถ้าหากตอนเราขับรถเราสวดมนต์ไปด้วยโดยออกเสียงจะได้บุญใหม่ได้สมาธิไหมคะไม่ได้หรอกไม่ควรจะเพราะว่าเวลาขับรถคนจะมีมีสติอยู่กับการขับรถใช่ไอย่าสวดมนต์ไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เรเสื่อได้ ถ้าเรามาคอยสนใจอยู่กับการสวดเกิดมีเหตุกระทัน ห, หนันเราอา จ, จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีงั้นถ้าเวลาขับรถนี้ควรมีสติอยู่กับการขับรถอย่างนี้จะได้บุญแต่ส่วนบนด้วยขับรถ ด, ด้วยนี่จะไม่ได้บุญเพราะมันจะได้บาปมากกว่ามันจะมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้งั้นเวลาจะสวดมนต์นี่ไว้รอเวลาที่เราไม่ไม่ทําลายที่หมือน จะเป็นที่จะต้องมีสติมากเช่นั้นเราอยู่บ้านกว่าบ้านถูบ้านแล้วใจเราลอยขึ้นเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้หลักใช้การสวมดมนต์ระงับมันได้พี่ต้องครับรบกวนขอสอบถามเพื่อเรียนรู้ถ้าเราต้องไปทํางานกับคนที่เราไม่ชอบเราควรทําจิตให้เป็นเช่นใดครับก็ทำทําจิตเฉยๆได้ท่นเองอยาไปอยากไปอยากไปช่างเขา ถ้าไม่ชอบก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธแล้วนับความไม่ชอบให้มันเฉยเฉยให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็จะทุกข์เวลาที่เราต้องทำอะไรกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องใช้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าใจเราจะเฉยจะจะไม่ไป ม, มีความรู้สึกไม่ชอบเขาอยู่กับเขาได้ คุณดวงพรครับพระอาจารย์เจ้าคะทำไมถึงต้องกลัวความตายเจ้าคะ่ะเพราะเราอยากอยู่กันไงเพราะเราต้องการร่านกายนี้นเป็นเครื่องมือหาความสุขกันที่เรามาเกิดกันเพราะเราอยากจะมีความสุขทางต า, งตางหูจมูกลิ้กนกายอยากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัพอเรียกว่าการมาตัญหาเนี่ยตัวที่ทาให้เรากลัวตายก็กคือตัวการมาตัญหานี่ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัพอ กาจะเสพรูปเสียงเียดรถปวดสะพานได้ก็ต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกเล่นกายเมื่อเรามีตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ต้องสมวนเราต้องรับต้องห่วเหมันถ้าเราขาดร่างกายแล้วเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากรถถูปเสียงเกลียนรถปวดสะพานได้แต่ถ้าเราเลอกหาความสุขจากรูปเสียงเกลียดรถปวดสะพานได้เราก็จะไม่กวดตายเพราะเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ร่างกายมีมีแล้วไม่มีก็เท่ากัน น, นี่แหละเป็นตัวปัญหาคือกามาตาณาค่อมอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสตา่างๆถ้าละตัวนี้ได้แล้วก็ร่างกายก็ไม่มีความหมายกับใจต่อไปหัอใจไม่ต้องไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนี้วกายเป็นเครื่องมือการหาความสุขใจมีความสุขได้จากการอยู่เฉย คุณสมพรครับการฟังธรรมจาก youtube จากเพจธรรมะต่างๆถือว่าเป็นการฟังธรรมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันอ่านหนังสือธรรมะ YouTube, ดู u t u b e ฟังเทปฟังอะไรที่เป็นเสียงธรรมะถ้าที่เป็นธรรมะนี่ถือว่าเป็นในการฟังธรรมและในการศึกษาธรรมเหมือนกันคุณปิยรัตน์ครับกา ร, การพิธีการพระอาจารย์ต่อให้ฝึกจิตตภาวนามาแค่ไหนแต่ถ้าจิตสุดท้ายเศร้าหมองเป็นทุกข์ ก็จะพาไปสู่อบายภูมิทันทีเลยไหมคะไม่หรอกถ้าฝึกจิตภาวนามันก็จะไม่เศร้ามองสิแล้วที่ไม่ไม่ฝึกมันมันจะเศ้ า, ามองการฝึกจิตภาวนาก็เพื่อให้ใจสงบผ่องใสนั่นเองนอกจากพาวนาแล้วไม่ได้ผลนั้นก็ช่วยไม่ได้อย่างนั้นก็จิตก็เศร้าหมองได้แล้วไม่ต้องนอนเศ้ามองตนตายแล้วมันมันก็จะเศร้าหมองกอดตายได้ บางคนซึมเศร้าจปกำังอยากจะค่าตัวตายก็เป็นเพราะว่าไม่มีการบำเพ็ญจิตตภาวนากค่ น, นั้นเองถ้ามีการดำเนินจิตตภาวนาแล้วจิตจะผ่องใสจิตจะว่างจะสงบจะเย็นจะไม่มีความซึมเศร้าไม่มีความเศร้าหมองอยู่ในใจจิตเบิกบานคุณนารินครับถ้าเราเอาเงินแม่ซึ่งตายแล้วไปทำบุญให้แม่เราจะได้บุญหรือแม่ได้บุญคะ ก็แล้วแต่ว่าแม่คงไม่ได้บุญแล้เพราะแม่ไม่ได้ทําำเราจะได้ บ, บุญนี้ต้องต้องทํำเองด้วยแล้วต้องเป็นเงินของตนเองด้วยแต่ถ้าถ้าคุณเอาเงินของแม่ซึ่งตอนนี้ไม่รู้เป็นเงินของแม่หรือเป็นงินของคุณนะ Robbie เขาคิดว่าต้องเป็นของคุณแล้วล่ะเพราะว่าแม่ตายไปแล้วเนี่ยเงินของแม่ตายไปแล้วมันก็เป็นมรดกของเราถ้าเราจัดการตามหลัก กฎหมายถูกต้องว่าเป็นเงินของเราเราไปทําบุญเราก็จะได้บุญแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นเงินของเราอยู่ยังเป็นกรอคุ่ยังมีคู่กรณีเช่นนี้พี่น้อง it, hunter, ยังมายังมาชิงผลิตภัณฑกันอยู่อันนี้ถ้าคุณเอาไปใช้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุญคุณยังไม่ได้บุญเพราะมันยังไม่ได้เป็นเงินของคนต้องรอให้มันเป็นบุญเป็นเงินของคนก่อนแล้วเอาไปทําบุญอันนั้นถึงจะได้บุญแต่คนตายไปแล้วที่เป็นเจ้าของเงินเก่านี้จะไม่ได้บุญอย่างแน่นอน ถึงแม้จะเขียนพินักรรมสั่งไว้ก็ตามว่าตายแล้วเอาเงินที่ไปถวายวัดนั้นวัดเลยนะไม่ได้บุญเพราะไม่รู้ว่าได้ทำหรือเปล่าต้องให้ไปก่อนตายไปเลยนะครับอาจารย์ได้ก็ให้ตอนตายไปเล ย, ยนี้ได้บุญนะเพราะบางทีสั่งแล้วแต่คนรับสั่งมันไม่ไปทำตามใช่ไหมบางคนอาจจะโลภมากเสียดายเงินเอาไปทําบุญทำไมเอามาใช้ดีกว่า คุณเล็กครับพระอาจารย์ครับขันกับจิตของพระอรหันต์อยู่ร่วมกันยังไงครับแยกกันอยู่แบบน้ำกับน้ำมันหรือแบบเส้นขนานแบบนั้นไหมครับก็เหมือนเบนหยน้าบนใบบัวนะขันก็เหมือนหยดน้ำใจของพระอาลารย์เขมาไนใบบัวมันก็อยู่อยู่ด้วยกันเต็ดกันใช้งานอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่มันไม่มาสะเทือนกัน ขันเป็นอะไรไม่มาทําสร้างความสะเทือนให้กับใจไม่เหมือนกับใจของปุตุชนนี่เป็นเหมือนกระดาษเวลาก็เอาน้าหยดไปบนกระดาษมันก็ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันนั้นใจของปุตุชนกับขันนี่จะจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันเราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเราจะคิดว่าเราคิดเราเราอะไรต่างๆเรามีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แต่ใจของมรนาหารนี่แยกออกว่าความเจ็บเป็นเรื่องของขันร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายใจเป็นเพีงผู้รู้ผู้เกณฑ์ใจอยู่คนละส่วนกันคุณพ ร, รัชท์ครับผมอยากถามว่าการทำความดีใช้ชีวิตไม่ประมาทเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้รองรับความตายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเออมันต้อง มันต้องฝึกตายต้องฝึกตายเหมือนกับเป็นทหารเนี่ยก่อนที่จะเข้าสมองรถผลกมต้องไปซ้อมซ้อมฝึกก่อนซ้อมใช้อาวุธใช้ต่างต่างเมื่อเวลาเข้าสมองรถผลก็จะได้ชนะคู่ศัตรูได้นอดกลับมาได้แม่ไปตายในสมองรถผลอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องฝึกตายเราต้องไปหาที่ที่มันคีดว่าจะมีความตายมา กิดขึ้นกับร่างกาเช่นไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวอย่างนี้เราดูสิว่าเราจะทําข้อสอบนี้ได้ไหมถ้าเรานิ่งเฉยได้ยอมตายได้เราก็จะผ่านผ่านข้อสอบนี้ได้พอเราไม่พอเราผ่านข้อสอบนี้ได้แล้วเราจะอยู่อย่างสบายไม่โกรธตายต่อไปอันนี้ต้องต้องต้องฝึกตายให้เป็นเหมือนนั่มวย นักบวชยังต้องซ้อมโชคอยู่เรื่อยๆจนถึงวันที่จะขึ้นไปทีถึงเวลา น, ะนั้นๆเขาพร้อมนะเขามั่นใจนะน น, นักศึกษาก็ต้องดูหนังสืออยู่เรื่อยๆพอถึงวันที่จะสอบก็พร้อมที่จะไปทำข้อสอบต้องมีความมั่นใจนะคุณวรีวันครับอยากเรียนถามว่าการทําบุญทอดกรถิ่นด้วยการทําต้นเงินหรือทํำพุ่มเงินถวายวัดจะได้บุญใหม่คะหรือจะเป็นบาปคะ อันนั้มันเป็นเพียงการประดับประดาคือการที่ย่างเงินทองมาใส่ซองแล้วก็ถอยวัดก็เอามาทำเป็นดอกไม้ยอะไรไปทำนั้นเลนมันเป็นการไม่ใช้คมพูดัเป็นการปรุงแต่งเป็นการเสริมสวยความงามอะไรต่างๆเลยให้กับงานให้มีสีสันนั้นเอง แต่ความจริก็เป็นการถวายเงินธรรเพื่อทางวัดจะได้าไปใช้ให้กับคุณประโยชน์แก่ศาสนาต่อไปคุณนิชชัดครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราไปกราบสัการะเจดีย์พุทธคยาที่อินเดียมันถือเป็นบุญใหญ่ในชีวิตจริงไหมคะจัดเป็นบุญในแง่าทานที่ไปทํานุบารุงสถานที่ไหมคะถ้าในแง่กําลังทรัพย์ถึงไม่เบียดเบียนตนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่บางทีมีสับสนตัวเองว่าเราใช้เงินเกินไปไหมกับการไปแบบนี้ คือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการไปสักการ ะ, ะสถานที่สี่สถานที่เรียกว่าสังเวชนัยะสถานนี้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก็คือให้ให้เกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงค์เท่านั้นเองในในพระพุทธเจ้าถ้าเรายังสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าได้ไปเห็นที่ท่านประเสริที่ท่านตัดสรลโที่ท่านอ่า แสดงทํารั้งแรกที่ท่านเสดงทนิผ่านมันก็อาจจะทําให้ความรังเวยสงสัยว่าพระเจ้าจมีจริงหรือไม่ น, นั้นหายไปเพราะมจริงเนี่ยท่านเกิดตรงนี้ท่านตายตรงนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์ของการไปไปเยี่ยมสังเวยสถานเพื่อปลูกศรัทธาถ้าศรัทธาที่ยังไม่มีก็ทําให้มีศรัทธาเกิดขึ้นมาหรือถ้ามีศรัทธาแล้วยังไม่มั่นคงถ้าได้ไปก็อาจจะทำให้ศรัทธามั่นคงขึ้น อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวในการสร้างศรัทธามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องไปก็ได้วิธีก็คือศึกษาก็ทำคำสอนก็ปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมพอบรรลุปเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมปับ๊บก็จะเห็นพระพุธพทธธรรมผสมในใจของตนเองเไม่ต้องไปที่อื่นเดียเนี่ยเราครูาอาจารย์ต่างๆตั้งแต่หลวงปูม่มั่นลงมาที่ไม่มีอึ้งใดไปอินเดีย เพราะ ท, ท่านมีท่านมีวิธีเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาในการปฏิบัติธรรมแต่สําหรับค า, วว า, ารวะญาณโยมผู้ยังไม่มีเวลาพอที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมก็อาจารย์อาศัยวิธีเดินทางไปสถานที่เหล่านี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาให้มีความมั่นคงหรือแน่แน่ไม่หลั่งในสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เปจริงหรือไม่ท่านนั้นเองนั่นคือสาเหตุ ถ้าเรายังลังเลสงสัยว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเป็นนิทานนามาเกียนหรือเปล่าอันนี้ก็ไปอาจจะไ ป, ไปเยี่ยมสถานที่หลังนี้แล้วอาจจะทำให้เราหายสงสัยได้ว่ามีจริงพระพุทธเจ้าเกิดตรงนี้จริงๆตายตรงนี้จริงๆปัศรูด ต, ตรงนี้แสดงธรรมตรงนี้อย่างนี้มันก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วไม่ไม่ลํงเลสงสั ย, ยต่อไป จะได้ทำให้เราพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะทำตามคบสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำแล้วจะได้ผล่งงางที่พระพุทธพูดทุกประกาศทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ละบลาป ก, ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายทำละําละกิเลข้ห้หมดประหยใจก็ไปนิพพานเป็นต้นคุณการิกาครับกรา บ, รบเรียนถามเป็นคุณยายที่สูญเสียหลานสาวว้4สี่ขวบไปยังกาดัหันห เจ็ดเดือนแล้วยังทุกข์มากอยู่เลยร้องไห้ทุกวันทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ยังไม่ดีขึ้นเลยกราบเรียนพระอาจารย์ชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะอันนี้ก็มีนิทา น, า น, นในสมัยพุทธกาลอยู่เรื่องนึงก็มีแม่เนี่ยแหละเสียลูกทาลกไปไว้อาจจะไม่ไมไ่กี่วันหรื อ, รอกี่เดือนก็ไม่ทราบแต่ยังแบบเบา อ, อยู่พอตายแล้วก็เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลั ลูกก็ไม่ยากมาไปฝังเราไปเผาเก็บไว้ในบ้านก่อนลูกไปชาวบ้านเห็นแล้วก็โอดที่จะสงสารไม่ได้ก็เลยบอกว่าเธอไปหาพระพุทธเจ้าสิพระเจ้านี่ท่านมีมีฤทธิ์มีเดชมีความสามารถมากอาจจะทําให้ลูกของเธอฟื้นขึ้นขมาก็ได้พอได้ยินอย่างนี้ก็เลยมีความหวังก็เลยอุ้มลูกนี้ไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงพระเจ้าก็ล้องไห้ก็ประเดชพระคุณท่าน มีความสามารถช่วยทำให้ลูกของข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาหน่อยได้ไหมพระเจ้บอกได้แต่เธอต้องไปหาเม็ดผักการมาให้เราหนึ่งกำมือและเม็ดผักการหนึ่งกำมือนี้ต้องเอาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าบ้านไหนมีคนตายใช้ไม่ได้ทางเราดีใจมีความหวังกลับไปหมู่บ้านไปเข้าประตูหมู่บ้านต่างๆก็ถามต่างละบ้านถามว่าบ้านานี้มีเม่ดผักกาดไหม ถ่าเขามีเขาก็บอกว่าแล้วมีคนตายในบ้านใช่ไหมเขาก็บอกมีมีปู่ย่าตายายมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานไปครอบบ้านไหนที่มีไม่ดฝักากาศก็ได้คําตอบเดียวกันว่ามีคนตายเหมือนกันทุกคนจนในที่สุดเธอก็ได้สติว่าอ๋อความตายนี่มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราเพียงคนเดียวนะมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกแห่งทุกคนก็เลยทําให้ยอมรับความจริงได้หายเศร้าหายโศกได้ ไม่ทราบว่านิทายนนี้นิทานเรื่องนี้จะทำให้คุณยายหายเศร้าโศกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณยายคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแล้วก็ตายได้ทุกวัยไม่ว่าสีก่กบสี่เดือนสี่วันสี่สี่ชั่วโมงก็ถึงเวลาก็ตายได้ด้วยกันดนะังนันถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าเขาไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วก็ถือว่าเป็น มันเป็นชีวิตของเขามันมีกำหนดว่าให้เขาอยู่ได้เพียงเท่านี้ก็รร้วกันจะได้เม่น้องไห้ทุกวันเหมือนผู้หญิงมาแั้วเนี่นิทานเป้สาางสมัยกุศการน้องสองวันห้ารอบกับปีมาแล้วถึงสมัย น, นี้มันก็ไม่เปลี่ยนนะเรื่องราวเหล่านี้ใช่ครับคุณคาริษฐาครับเวลาเราทำบุญเราต้องบันทึกบุญในเฟซบุ๊ หรือเปล่าคะการลืมว่าเราเคยทําบุญจะจําได้ตลอดถ้าเราลืมไปว่าเราเคยไปทําบุญอะไรบ้างตอนตายจิตเราจะจําได้หรือเปล่าคะอะกฎแห่งกรรมเขาจดไว้ให้เราทุกอย่างนะบุญบาปเราไม่ต้องลยบันทึกเสียเวลาบันทึกเดี๋ยวก็ลืมอยู่ดีเดี๋ยวเกิดป็นบัญชีแล้วเครื่องมือถือเสียเข้าไม่ได้ก็จะมันก็จะลืมอยู่ดีั่ไม่ต้องกังวลเรื่องบุญเรื่องบาปนี่กฎแห่งกรรมเขาบันทึกไว้ยอยู่ในใจเรานี่ แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาเวลาที่เรานอนหลับแล้วเวลาที่เราตายเวลาที่เรานอนหลับถ้าเราฝันดีนะบุญที่เราทํามันมันโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าบาปที่เราทํามันก็จะทําให้เราฝันร้ายเวลาตายก็จะฝันดีฝันร้ายแบบยาวไปเลยครับคุณวันทนีครับ เวลานั่งสมาธิแล้วเจอเวทนาจะเอาไปเปรียบเทียบกับเวลาใกล้ตายได้หรือไม่คะแต่เวทนาในการปวดขามันยังไม่เท่ากับเวทนาที่ใกล้ตายแน่นอนใช่ไหมคะต้องนั่งนานขนาดไหนถึงจะเทียบได้กับความทรมานเวลาใกล้ตายครับก็แล้วแต่เรานะถ้าเรามีความมั่นใจว่าเวทนามันก็เหมือนกันหนักเบามันก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราผ่านตัวนี้ได้เราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปหาอีตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราอยาก จะให้มีความมั่นใจก็มีก็ต้องนั่งต่อไปหลังจากที่ผ่านตัวแรกแล้วก็ต้องนั่งต่อไปแล้วความเจ็บมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่หนูตาเนี่นบอกว่าความเจ็บนี่มันมีสาสารมระดับตั้งแต่หนูขึ้นไปยะห้างถึงถึงถึงช้างครับเพราะถ้าเจอตัวช้างอยู่มันก็ร่างกายทั้งทั้งกระดูกทั้งร่างกายมันจะแตกออกจากกันความเจ็บปวธทรมามันจะมาก นั่นก็อยู่ที่เราว่าเราจะเป็นที่จะต้องไปถึงขนาดนั้นหรือไม่เราคิดว่ามันก็เหมือนกันนะถ้าเราผ่านวันนี้ได้เราก็ใช้วิธีเดียวกันใช้วิธีสติใช้วิธีปัญญาพิจารณาไปมันก็มันจาเป็นก็ได้อันนี้เราไม่ไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ต้องแต่ละคนเป็นผู้ที่จะต้องเลือกเอาเองว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจเอาไม่มั่นใจก็้วนงเงินเถอะนังไปร อ, อ, ปอของจริงกบเอาก็ได้ อาจารย์ครับขอกราบถามเพิ่มครับระหว่างหนูไปถึงช้างนี้ระหว่างกลางมีความสงบเป็นช่วงๆอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นั่นก็เวลาผ่านแต่ละตัวมันก็จะสงบไปเพราะว่าใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางได้แล้วพอมัญหาจากความสงบมันก็มากลับรับรู้อาการเจ็บปวดของร่างกายใหม่มันก็จะแรงขึ้นก่อเาเก่าแล้วก็พิจารณาด้วยสติได้ปัญญาจนผ่านไปได้มันก็สงบลงไปอใช่ไหม อันเดียวมันเอาจากความสมงบมามันก็มารับรู้ความเจ็บทางร่างกายอีกครั้งหนึ่งที่ความเจ็บนี่มันก็จะแบบมหาศาลเลยคุณปียพงศ์ครับคนเราทุกคนมีความแก่มีความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาแต่พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับเราและคนที่เป็นที่รักทําไมเราถึงต้องเศร้าโศกเสียใจด้วยครับตั้งแต่ที่มันเป็นอนิจจังเพราะเราไม่อยากให้เป็นความอยากไม่เป็นวิภาวะธรรา ความอยากไมใ่ให้คนที่เรารักตายหลัพระทาจากเรามั น, เ ป, นเป็นต้นเหตุของความเศร้าเสียใจเป็นความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทยัยในอริยสัจสี่มีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากแม่เขาตายนี่ก็เรียกว่าวิภาวะตัญหาอันนี้มันก็เลยทําให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่รักที่เราทำไม่ทุกข์ใช่ไหม ยินไปถ้าเป็นคนที่เราเกลียดนี่เขาตายไปนี่เราสาทุใหญ่เลยนเพราะ <c oughs> เราไม่มีความอยากให้เขาอยู่ เ, เราอยา ก, กายเขาตายเอลาเขาตายเขาตายแล้วก็ได้ความเราก็สมอยาก เ, เวราเราได้สมอยากเราก็ไม่ชุกข์เราก็ดีใจยังแล้วต้สลับมันสลับเอาเอาคนที่เราลักทีิไปอยากให้เขาตายให้ได้ถ้าอยากให้เขาตายเหมือนเราเราอยากให้คนที่เราไม่ลัทธิได้เวลาเขาตายเราจะไม่ชุก แต่คนเราก็ทำใจไม่ได้เมื่อเราลานเขาเราจะไปเราจะไปเกลียดเขาได้ไงครับคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจครับเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าไปเป็นกราบขอคําอธิบายครับก็เห็นทุกข์หมายถึงทุกข์ทางร่างกายไงแต่ร่างกายเจ็บแล้วเราไม่ไปอยากให้มันหายเจ็บอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราไม่เข้าไปทุกข์กับมันเรารู้เฉย คุณซุปตาครับการเรียนถามกับประโยคที่ว่าคนเราคนที่เราคิดถึงจะทำให้เราทุกข์อย่างเราคิดถึงพ่อแม่ลูกสามีแบบนี้เราจะปรับความคิดถึงนั้นให้เราคิดยังไงครัให้เราไม่ทุกข์ก็คิดว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีมีเป็นตายรักเป็นนิจจทุกข์ขมานาตาดันั้นอะไรก็จะเกิดขึ้นกับเขาได้เหตุการ รายนี้ก็ต่างฮะเหตุการณ์ดีเรื่องเหตุการณ์ร้าก็อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้แต่เราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแต่เวเราคิดถึงเขาแล้วเราต้องจะคิดว่าเขาดีหรือไม่เขาปลอดภัยหรือไม่มันก็จะทําให้เราเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอย่างเราต้องคิดว่าเขาเป็นคนเหมือนเราเราเหมือนกับคนที่เราที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ของเราเป็นอนิจจทุกข์ขาหน้าตาเหมือนกันเป็นอนิจจ์ต้อง ต้องมีอะไรต้องเกิดขึ้นขเขาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอนันตาห้ามห้ามไม่ได้ถ้ามองเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไปเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นอนันตาเราก็จะทุกข์เพราะเราก็จะปวดเขาอาจจะไปคิดว่าเขาเป็นไม่ได้เหตุการณ์ใดแรงเกิดขึ้นของเขาไม่ได้ห้ามห้ามเกิดแต่คุณห้ามเขาได้ห้ามห้ามได้ไม่ไม่ได้ใไจไม่อยากให้มันเกิด ไอ้ตัวไม่อยากให้มันเกิดนี่แนละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้ขับเราคุณหลินครับสิ่งที่หนูคิดถูกไหมเจ้าขาเวลามีอาการเจ็บปวดยอมรับความเจ็บปวดสำหรับหนูถึงมีเครื่องระบายน้ําอยู่ในสมองแต่ทั้งทิ้งร่างกายเลยเจ้าคะ่ะเพราะคิดว่าไม่ใช่ร่างกายของหนูปัจจุบันใช้ธรรมโอสถร่างกายเลยแข็งแรงเจ้าคะ่ะไม่เคยได้ลาป่วยลุยทางานซ้อมตายก่อนนอนเจ้าคะ่ะถึงจากร่างกายครบสาสิบสองกลายเป็นคนพิการแต่ไม่เศร้าเจ้าคะ่ะ เหมือนทำสงครามกับกิเลสเลยเจ้าคะ่ะก็ดีถ้าเราไม่ทุกกับความเจ็บความตายก็ถือว่าใช่ได้คุณก้าเดินครับอาจารย์ครับักที่เดียวกันกับเพื่อนร่วมงานแต่โดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบทุกอย่างเราควรที่จะพักอยู่ร่วมกันต่อหรือย้ายไปหาบ้านพักใหม่เจ้าคะเพราะเราแต่เราถ้าเราคิดว่าย้ายไปย้ายไปแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ ความทุกน้อยลงความสุขมากขึ้นก็ไปถ้าย้ายไปแล้วดีกว่าอยู่ก็ไปถ้าย้ายไปแล้วไม่ดีกว่าอยู่ก็อย่าไปถ้าย้ายไปแล้วก็เท่ากับเท่ากับเท่ากับไม่ได้ย้าย ก, ก็ก็เลือกได้ทั้งสองอย่างอยู่ก็ได้ไปก็ได้ขอให้ดูผลที่จะเกิดขึ้นกับการย้ายของเราว่ามันจะดีกว่าหรือไม่ถ้าดีกว่าก็ไปถ้าไม่ดีกว่าก็อยู่ถ้าเท่ากันก็จะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ เรืม่มีมีพระเคยมาถามหลวงปู่มัน่นจะขอลาไปอยู่ที่นู่นที่นี่ดีไหมหลวงปู่มั่นก็ใช้ให้คำตอบนี้่ถ้าไปแล้วดีก็อยู่ที่นี่ก็ไปถ้าไปแล้วไม่ดีกว่าที่นี่ก็อยู่ถ้าไปแล้วเท่าทกันก็อยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ตอบอย่างนี้ยต้องดูผลจากการย้ายของเราว่ามันดีหรือไม่ดี คุณแพตครับพิจารณามรณานุสติทีไรจิตใจเศร้าหมองและหดหูมากเลยค่ะทําอย่างไรดีคะให้ใจค่อยๆยอมรับก็ต้องคิดถึงทุกคนก็ได้อย่าคิดแต่ตัวเราคนเดียวเรา่วทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนจะต้องจะต้องตายกันทุกคนไม่มีใครอยู่คาบฟ้าคิดให้มันกว้างขึ้นอย่ามาคิดแต่เฉพาะตัวเราคนเดียวเราคิดถึงตัวเราคนเดียวแล้วมันอาจจะทําให้เราเศร้า แต่ถ้าคิดถึงทุกคนก็ยังทําให้เราเศร้าอยู่ก็อย่าเพิ่งคิดแสดงว่าจิตเราไม่มีอุเบกขาไม่พอไปฝึกสติไปนั่งสมาธิให้จิตมีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาเนี่ยทําไมคนบางคนถามว่าทําไมต้องมีสติมีสมาธิก่อ น, นอถึงจะไปที่พิจารณาทางปัญญาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละเรื่องบางเรื่องนี้ถ้าไม่มีอุเบกขาพอมันพิจารณาไม่ได้พิจารณาไม่ออก อสุภะนี่ถ้าไม่มีโอเบคาะจะไม่มีใครอยากจะพิจารณาความตายก็เหมือนกันอสุภะก็เหมือนกันแต่ถ้ามีโอเบคาแล้วใจจะไม่หดหูใจจะไม่เศร้าหมองใจจะเฉยเฉยก็สามารถที่จะมองความจริงได้อย่างไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหว คุณวนิดาครับหากพิจารณาถึงการพลรัดพรากความตายของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่พี่น้องแล้วยังเกิดความทุกข์รอ้องไห้เศร้าใจควรปฏิบัติอย่างไรครควฝึกสมาธิให้มีรูปบบค่คุณยุชิระครับกลานพัสการพระอาจารย์ขออนุ ญ, ญาตสอบถามหลังจากหัดทําสมาธิมาช่วงระยะเวลาหนึ่งมีการร้อนที่หูบางครั้งถึงขั้นเจ็บเข้าไปด้านในหูแต่เกิดขึ้นเป็นบางเวลาบางครั้งข้างซ้ายบ้าง ครังข้างขวาเลยเคยมีใครทําสมาธิแล้วมีอาการทางระบบประสาทและทําให้มีอาการเจ็บที่หูไหมคะโปวดเมื่ตาด้วยคะ่ะก็ต้องดูว่ามันเป็นเฉพาะเวลาที่เราทําสมาธิหรือเป็นเวลาอื่นด้วยถ้าเป็นเวลาอื่นด้วยอาจจะเป็นเรื่องของหูเป็นเรื่องของร่างกายก็าจจะต้องไปปรึกษาแพทย์แต่ถ้ามันจะเป็นเฉพาะช่วงที่เรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่เป็นเวลาอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสก็ไม่ทำไปสนใจ เราก็ทําเราไปอย่าไปสนใจคิดว่าเป็นมานขัดขวางการทําสมาธิของเราที่เราจะต้องข้ามไปให้ได้วิธีข้ามไปก็อย่าไปสนใจหวายให้มันเป็นไปถ้าเราเราเริมนั่งสมาธิแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรเวลาจะเป็นเฉพาะแต่ตอนที่นั่งสมาธิก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสสมาธิกิเลสมันสร้างนิวรณขึ้นมาขวาง แล้บางคนมันอาจจะเป็นบางอย่างบางคนนั่งแล้วรู้สึกแน่นหน้าออกมากแน่นหน้าผากมากปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้น้ำลายจะไหลามากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะคุณสมพรครับการทําให้ชีวิตมีความสบายในทางธรรมคือไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนทั้งร่างกายและจิตใจต้องปฏิบัติอย่างไรให้ชีวิตมีความสบายในความหมายของ ท, งทั้งธรรมครับ คือให้ให้มองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยมนาเราต้องปล่อยวางวนั่นเองอย่าไปยึดอย่าไปติดมันก็จะสบายถ้าเราไปยึดไปติดว่าจะต้องอยู่ขอบเราเป็นของเราไปตลอดนี้มันก็จะเครียดขึ้นมาได้คุณทีเอครับถ้าเราทะเลาะกับคนอื่นและคิดว่าเราไม่ผิดเลยไม่กล่าวขอโทษอย่างนี้ถือว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิหรือไม่แต่ถ้าเรายอมขอโทษโดยที่เราไม่ได้รู้สึก อยากจะขอโทษจริงๆจะผิดศีลมูสาหไหมคะควรทำอย่างไรคะคือการการขอโทษนี้ไม่ไม่ได้มันเกี่ยวกับเรื่องว่าเราผิดหรือเราถูกกัอยังไงการขอโทษนี้หมายถึงว่าเราผิดที่เราไปทะเลาะกับเขาไม่ไปผิดเพราะว่าเราถูกหรือผิดกัอยังไการทะเลาะกันนี่เป็นการกระทาที่ผิดอย่างในสายตาของทางศาสนาคนเราไม่ควรทะเลาะกันคนจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผล แล้วถ้าไม่เห็นด้วยก็ก็ให้ให้ยุติไว้ต่งเพียงเท่านั้นอย่าไปทะเลาะแบบเอาแพ้เอาชนะถึงกับดุดาว่าเก่าหรือว่าทุบตีกันนะไม่ควรทันอย่าไปทะเลาะกันจยท่านก่อความก่อเกลียดกันแต่ถ้าเราต้องคุยกันต้องปรึกษากันต้องมีความคิดเห็นไม่ต่อกันเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่ต่อกันได้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการทะเลาะกัน เราคิดว่าถ้ามันพูดต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทําให้เกิดกลายเป็นเรื่องโกรธเกลียดชังกันขึ้นม า, เร า, าเราก็อย่าไปพูดต่อแล้วก็หยุดแต่ถ้าเราเผลอพูดไปแล้วกเกิดความเกลียดชังขึ้นมาเราก็ไปขอโทษเขาไม่ได้ขอโทษว่าเราผิดว่าเราถูกในเรื่องที่เราพูดกันแต่ขอโทษที่ว่าเราไม่ควรจะทะเลาะ ก, กันขอโทษที่เราไม่สามารถระงับอารมณ์ของเราได้ เราไปสร้างความเหลือกร้อนให้กับเขาจากการให้เราไปทะเลาะกอบเขาอันนี้ต่างหากที่เราไปขอโทษไม่ใช่ขอโทษเพราะเราถูกหรือเราผิดนีการขอโทษก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งไหมครับอาจารย์ใช่ก็การให้อภัยไม่จองเวรกันไม่โกรธเกลียดกันนะเราทะเลาะกันแล้วก็อย่าโกรธเกลียดกันนะกกนนะถ้าโกรธเกลียดก็ขอโทษด้วยความหมายขอให้อภัยคุณหลินครับ หนูเคยถามพระอาพาขณะใส่ท่อช่วยหายใจเจ้าคะ่ะอยู่ไอซีสติท่านดีมากท่านไม่ดึงท่อช่วยหายใจถามท่านปวดคอไหมเจ้าขาท่านสลัดมือหนูเข้าใจว่าท่านบอกว่าไม่ปวดแขนทั้งสองไม่ถูกมัดเจ้าคะ่ะจุดนี้คือสติและและพระคุณเจ้าทิ้งร่างแล้วหนูคิดถูกไหมเจ้าขะใช่นถ้าเป็นพระปฏิบัตินี้ท่านก็จะไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องความเจ็บปวดของทางร่าง ก, กายใจของท่านมีเบิกขามีขันติมีความหมดทุกข์หนั้นานสูง ท่านก็อยู่กับมันได้มีปัญญาคุณเด็กน้อยครับความทุกข์ในนรกหรือความสุขบนสวรรค์จะเหมือนกับทุกข์หรือสุขในความฝันไหมครับเพราะว่าไม่มีร่างกายหยาบมีแต่บิญยาณเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยาวสั้นต่างกันนั่นเองเวลานอนหลับนี่มันแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นนะแต่เวลาเราตายนี่ก่อนจะได้ร่างกายมายนี่ไม่รู้กี่ปีแต่เนี้ยมันจะยาว มันจะฝันยาวเลยคุณโกโก้ครับเราจะพอทราบได้ไหมว่าสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าเราใกล้จะหมดเวลาในโลกนี้แล้วครับก็เนี่ยสัญญาณก็คือตายรัตน์เนี่ยบอกว่าเราอาจจะหมดวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ยังใครรีบเตรียมตัวไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไป คุณกันประพนครับคนที่คอยพูดให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาอยู่ที่ตรงไหนเขาก็สามารถพูดให้ร้ายเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้แก้ตัวใดๆเลยเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ไม่มีใครจำเป็นจะต้อแก้ตัวถ้าสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริงเนีเขามันเปลี่ยนความจริงไม่ได้แร้วเราดีแล้วเขาว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเขาส่วนคนจะเชื่อไม่เชื่อนี่ยก็เป็นเรื่องของคนคนที่เขาฟัง แล้วก็อยากจะถูกหรอกก็ปล่อยเขาให้ถูกหลอกไปก็เท่านั้นเองเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปแก้กข่าวยันตายจะวันวันหนึ่นนงถ้ามีคนเขเขียนเรื่องไม่ดีกับเราสักร้อยคนนี่เราต้องไปตามแก้มันก็เหนื่อยเราต้องมีความมั่นใจในความดีของเราในเรื่องยอมรับความไม่ดีของเราถ้าใครเขาตําหนิเตียนในเรื่องที่เราไม่ดีแล้วมันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะท่านบอก ท่านบอกว่าเป็นการชี้คุมมซับให้กับเราเพราะบางทีเรามองไม่เห็นความบกพร่องของเราเราต้องให้คนอื่นที่เขาเห็นมาบอกเราอีกทีเพราะเราจะได้แก้กไขดัดแปลงได้เพราะโดยธรรมชาติของยุเรศของคนนี้มักจะมองไม่เห็นโทษของตนเองชอบมองโทษกับคนอื่นมีคำพูดที่บอกว่าโทษของคนอื่นแม้เท่าจะเป็นผงทุครบก็เป็นมองเห็นเป็นเหมือนกองภูเขาขึ้นมา แต่โทษของตนเองแม้จะเท่ากองภูเขาก็มองเห็นว่าเป็นผงธุลีเฮ้ยเล็กน้อยไม่เป็นไรนิดหน่อยชาตคนเออันนี้แหละมันถึงจําเป็นที่จะถ้าคนหนึ่งเขาเข้าตำหนแิแล้วนั่นมันเป็นความจริงเนี่ยเราต้องขอบคุณเขายกมือไหว้เขาเลยเขาเป็นเหมือนกระจกเราในก่อนที่เราเจะออกจากบ้านเรามักจะต้องมองที่กระจกก่อนใช่ไหมหน้าตาเราไป็นไงมีผ้ามีผมเรียบร้อยไหมขี้ต้องขี้ตาั้งจานด้วยอยั อันนี้ก็เหมือนกันคนที่เขาบอกสิ่งบุกพ่อของเราก็าเป็นเหมือนกระจกก็เ ร, เราที่จะได้มาแก้ไขดัดแปลงให้มันดีขึ้นมาต่อไปดังนั้นอย่าไปอย่าไปกังวลกับเรื่องของการสารเสพติดทางของคนอื่นเลยเนี่ยมันหนึ่งในของโลกกระทำแปเนี่ลยลาภยศสารเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเนมันเป็นของคู่กันมีสารเสริญก็มีนินทา งั้นเราอยากไปยินดีกับการสรรเสริญงั้วเราจะไม่เสียใจกับการดินทาเราจะเฉยๆกับทั้งสองสิ่งไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่เราทําใจไม่ให้ไปเดือดร้อนกับเขาได้เวลามาสัมผันสให้สัมผัสแบบหยดน้ําบนใบบัวโลกกระทาขอบใจเป็นอย่างนี้ คุณอ้วนจังครับวันนั้นหนูได้ไปกับอั น, นิรายงานผลครับเลยกะพระอาจารย์พระอาจารย์ว่าเจ็บก็พิจารณาถ้ากายไม่ไหวก็แค่ทําใจเปลี่ยนร่างหนูจําคําพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะพอเราป่วยมากๆหายใจไม่ออกอย่าวันไหวแค่ทําใจยอมรับการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนภพค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หนูนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเลยค่ะพระอาจารย์ซาบถึาบถอ๋ออย่างนี้ คุณละละวันครับระลึกถึงความตายบ้างค่ะคิดว่าตายแล้วจะไปไหนค ะ, ะตามหลักธรรมก็ไปไปสวรรค์หรือไปอบายหรือไปไปเป็นมนุษย์ทันทีมีสามที่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่มีในใจว่ามีมากน้อยเพียงไถ้ามีบุญมากกว่า บ, บาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ถ้ามีบาปมากกว่า บ, บุญบุญก็จะพาไปอบายอบาปก็จะพาไปอาาย ถามีมูลกระบาดเท่ากันก็ไปอะไรก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ก็ไปเป็นบรุษยต่อคุณสมพรครับการทําทานรักษาศีลภาวนาบางวันโยมไม่ได้ทําทานแต่มีศีลครบแต่การภาวนาอาจยังไม่ชัดเจนนะเพราะยังไม่เข้าใจการภาวนาต้องทําอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าภาวนาหรืออาจเป็นไปได้ว่าในชีวิตจริงได้มีการปฏิบัติภาวนาอยู่เพียงยังงงงอาจไม่เข้าใจเอาเองว่าสิ่งที่เรียก ว่าภาวนาก็เป็นได้คนเราสามารถทําบุญได้ทั้งสามแบบคือทานศีลภาวนาโยงขอคําแนะนําจากการภาวนาจากพระอาจารย์ครับการภาวนาก็คือการฝึกจิตให้ให้ตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองแบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาหรือการนั่งสมาธิระดับที่สองคือการเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเริงต้นเราก็ฝึกการทําใจให้สงบด้วยการ นั่งสมาธิด้วยการจเจริญสติก่อนฝึกสติให้มีกําลังมากถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบดัน้ก่อนจะมานั่งสมาธิเราต้องฝึกสติเช่นให้เราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆเพื่อห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้าเราจะไม่ใช้พุโทโธเราก็ต้องคอยผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกเรียมอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียว ถ้าทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบอย่างนี้ก็เรียกว่าการภาวนาขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาแล้วถ้าเราผ่านขั้นแรกได้แล้วเราก็สามารถไปที่ขั้นที่สองได้ทำไมต้องไปขั้นที่สองเพราะขั้นแรกมันสงบชั่วคราวสอบในขณะที่ในสมาธิแล้วพ อ, อจากสมาธิมาพอที่เละเอามาทํางานความสงบก็หายไปยั้นถ้าเราอยากจะให้สงบตลอดเวลา หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยขกำจัดกิเลสที่จะขึ้นมาทําลายความสมบงบของใจพิจารณาตายรักว่ากิเลสอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเห็นครสอนะให้ใจรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่นมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่าแม่เทียมทุกเพราะว่เเาเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เราเป็ของเราได้ตลอดพอเราเห็นตายรักตายรักก็จะหยุดความความโลภความอยากได้ พอหยุดความโน้มความอยากได้ใจก็จะสงบต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเท่าสมาธิอันนี้คือสามอย่างให้สามวิธีภาวนาต้องสามขั้นขั้นแรกเจริญสติก่อนฝึกสติก่อ น, อนที่จะนั่งสมาธิให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ให้เราคิดถึงนั่งนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับร่างกายแล้วพอเรามีสติเรากา็นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิก็ใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้ หรือใช้การดูละไมใจ้าออกก็ได้อย่างได้อย่างหรือสองอย่างปนกันก็ได้แล้วแต่จะจะจะถนัดนะถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้อยู่กับลมได้เดี๋ยวใจก็จะเน่งสงบเป็นสบาธิสงบแล้วก็มีความสุขอันนี้คือการภาวนาะคุณอ้อยครับได้ยินเรื่องปาฏิหาริ์เมื่อคนตายแล้วผิวเหลืองผ่องจะได้ไปสวรรค์ โยมสงสัยว่ามันจะจริงไหมยมเคยเห็นคนป่วยโรคตับหลายคนผิวเขาเหลืองเป็นทองเลยค่ะพอเขารักษาไปจังว่าผิวก็กลับคืนสู่ปกติไม่เกี่ยวว่าล่ร่างกายจะเป็นยังไงมันไม่เป็นทําให้ไปเป็นตัวกําหนดให้ให้จาจไปสวรรค์หรือไปอะไรมันอยู่ที่บาปขอมบุญที่ทําไว้นั้นที่เป็นตัวกําหนดว่าใจจะไปสวรรค์เมื่อไปอะไรคุณอังคณาพรครับการนั่งสมาธิได้สามถึงสี่ชั่วโมง ทำได้แล้วเกิดผลอย่างไรบ้างคะมันก็มันต้องสงบเลยถ้ามันไม่สงบมันนั่งไม่ได้หลับต้องสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้ามันสงบมันนิ่งสงบมันเวลาก็อาจจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเราไม่รู้สึกตัวหรืออีกอย่างนึ่งก็อาจจะนั่งหลับก็ได้ถ้านั่งหลับมันก็เวลาก็ผ่านไปได้สามสี่ชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้านั่งหลับมันก็เหมือนนอนหลับไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีอุเบกขาไม่มีสติ แต่ถ้าถ้าสงบแล้วมีสติมีอุบเบกขาเนี่เรียกว่าสมาธิก็จะดียิ่งนานเท่าไหร่ก็จะทําให้เรามีอุบเบกขาการวางเฉยได้มากขึ้นเวลาออกจากสมาธิมาเวลาสัมผัสรอบนู้กับเรื่องอะไรก็เฉยเฉได้ใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยได้คุณทัศนาครับเวลาสวดมนต์ใช้สวดในใจได้บุญเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะได้ได้บุญมากกว่าสวดออกเสียงได้ทราบไป อันหนึ่งแม่ก็รบกวนชาวบ้านเขาสองส่วนในใจนี่มันจะทําให้ใจสงบมากกว่าเวลาส่วนด้วยปากเพราะถ้าส่วนด้วยปากนี่ใจต้องไปบังคับปากให้ทํางานแต่ถ้าเราไม่บังคับไม่ส่วนทางทางร่างกายใจก็ไม่ต้องไปบังคับร่างกายให้ทํางาน ใ, นใจก็ลดการทํางานลงไปครึ่งหนึ่งทําให้ใจสงบไ ด, ได้ง่ายขึ้นกว่าการส่วนด้วยปาก คุณธภกรครับการท่องคําบริกรรมขณะว่างจากงานจะสามารถทําให้จิตนิ่งได้ไหมครับเพราะพยายามจะให้จิตไม่ฟุ้งซ่านครับก็ลองทําดูซิมันควรจะได้นะตามทฤษฎีขึ้นอยู่ที่เวลาทับทำมากทําน้อยแล้วทําทอย่างต่อเนื่องหรือไม่คุณละละวันครับอีกสามวันคุณพ่อเสียครบหนึ่งร้อยวันวันนี้พรุ่งนี้มารืนจะไปปฏิบัติธรรม อุทิศให้คุณพ่อคุณพ่อจะได้รับไหมคะอันนี้บุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ยังอาจจะไม่เกิดก็ได้ดฉะนั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญแบบแน่ น, นอนกว่าก็คือไปทําถวายชายบาศหรือทําบริจาคกันให้กับใครสักคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้เราจะได้บุญทันที <Okay. S 2> ในการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนการไปปลูกต้นไม้มากกว่าปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้มันจะออกดอออกผลทันที อาจจะต้องใช้เวลาห้าปีสิบปีการไปจะออกดอกของผลได้ยิ่งถ้าจะราเอาบุญที่จากการปฏิบัติไปอุทิศนี้คนอุทิศอาจจะอาจจะตายไปก่อนอาจจะอดตายไปได้ยังต้องมาตายท้าบเองตายอดตายเพราะความอดอยากรอรอบุญที่เราจะอุทิศให้ค่ะงั้นการที่เราไปปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้บุญจากการปฏิบัติธรรมทันทีเราคนบวชมาเป็นปีๆก่อนจะสงบได้เล ถึจะได้บุญพระเจ้าถึงไม่สอนให้ให้อุทิศบุญด้วยการปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลนะท่านสอนว่าให้ไปบอยจากทานดีกว่าได้แน่นอนได้ทันทีทันใดเหมือน <Okay. S 1> ฟาสต์ฟูด้ดเหมือนพิซซ่า <Okay. S 1> อันนั้ก็แคสั่งปุ๊บ ม, มาปั๊บเลย <Okay. S 1> ถ้าไปสั่ต๊จีนเนี่ยจะต้องจองไว้สองาวันก่อให้เ้าเตรียมอาหารไว้ก่อน <Okay. S 1> คุณวันธนีครับ จะเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างความตายเพื่อให้เป็นแนวทางให้ทําใจไม่กลัวตายคะก็ไปดูศพคนตายไปเรียบโรงพยาบาลไปดูศพไปดูโรงพยาบาลที่มีคณะแพทย์เขาชนสุตรศพขออนุญาตเข้าไปขอไปดูหน่อยได้ไหม บ, บ, บ, บางทีไปร่วมดูกับนักศึกษาแพทย์ก็ได้มานักศึกษาแพทย์ก็ต้องศึกษาเรื่องเรื่องงานกายก็ต้องไปดูศพของคนตาย เวลาเขาเผาออมาแล้วอาจารย์บอกว่าจะได้นาวันนี้หัวใจนะั้นนี่ปอดนนะั้นนี่ตับนี่ไตป็นญาอันนี้เราต้องไปดูของจริงถ้าดูไม่กล้าดูของจริงก็ดูภาพก่อนก็ได้ข้อหนึในอินเทอร์เน็ตก็ได้เขียน่าภาพคนตายนลองดูคนตายเสด็จคําว่าคาว่ า, วาคนตายนะั่นที่มันก็ผอกกันมาซากศพก็ได้แล้วก็จะได้เห็นภาพต่างๆของคนตาย แล้วาอามาคิดไปเจนาว่าร่างกายเราของผมตายก็เหมือนกันถ้าเราตายแล้วทิ้งไว้แบบนี้ก็คงท่านต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันคุณสมพรครับการตันอ่านข้อธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆทางเฟซบุ๊กที่ข้อธรรมะของพระอาจารย์เหล่านั้นเด้งแจ้งเตือนมาในเ facebook อัตโนมัติของโยมการอ่านข้อธรรมะดังกล่าวถือว่าได้บุญเหมือนการฟังธรรมไหมครับ การอ่านกับการฟังมีความเหมือนมีความต่างอย่างไรในแง่การเข้าถึงธรรมะต่งตางๆครับต้องได้ต้องได้ผลจากการฟังหรืออ่านถึงจะได้บุญอันนี้สององการฟังธรรมนี่มีอยู่ห้าห้าข้อไปกันข้อหนึ่งถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งะก็ได้บุญแล้วอ๋เราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนตอนนี้ได้ยินแล้วข้อที่สอง ถ้าเป็นข้อที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเอฟังอีกครั้งเกิดความเข้าใจลึกซึ้งอันนี้ก็เป็นเป็นผลอีกการหนึ่นงข้อที่สามอาจจะกําจัดความรำลึกสงสัยในเรื่องต่างๆได้เมื่อกหร่อาจจะสงสัยว่าตายแล้วไปไหนกันแน่นี้ไปได้อย่างไรอันนี้อาจจะไม่สงสัยแล้วก็ได้ว่าที่ไปกือความบุญหรือบาปพาไปก็จะไม่สงสัยเรื่องนรกน่างสวรรค์เรื่องกา ร, รเวีย น, นว่ายตายเกิดอันนี้ก็เป็นผลข้อที่สาม คือกำจัดความลังเลสงสัยในเรื่องธรรมะต่างๆได้ข้อที่สี่ก็จะมีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเช่นเวลาเราอยากให้คนที่เราเรานล่ไม่เป็นอะไรนี่เราก็ทุกข์ลวพอคิดถึงว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องทุกข์กับเขาทุกข์เพราะเราไปอยากนั่นเองถ้าเราไม่มีความอยากให้ก็ปลอดภัยเราก็จะไม่ทุกข์ อันนี้ก็เป็นข้อที่สี่อันที่สองข้อที่ห้าคือถ้าอา่านแล้ใจสงบก็เป็นเป็นผลอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้าถ้าได้อันที่สองข้อใดข้อห น, ออนึ่งก็ถือเรื่องเป็นบุญได้ถ้าเราไม่ได้ผลทั้งห้าข้อนี้ก็เฉลยยัยงไม่ได้บุญนะคุณจิสนุพงศ์ครับ ครอบครัวมีหนี้บ้านแล้วเราช่วยผ่อนบ้านถ้าเราไปบวชแล้วไม่ได้ช่วยครอบครัวผ่อนเหมือนเราทิ้งแบบนี้ถือว่าอักตันยูไหมครับไม่หรอกเพราะเราก็เราไม่เราเราต้องไปทําหน้าที่เราก็ต้องปล่อยให้ไปเลยก็ทําหน้าที่นั้นไปแล้วเราอาจจะมาตอบแทนบุญคุณในลักษณะอื่นต่อไปอย่างพธธระพุทธเจ้าก็ทิ้งหน้าที่ของการเป็นเจ้าชายแล้วไปบวช เราบวชบรรลุเป็นพระอุเชชาแล้วก็มาตอบแทนบุญคลในการสอนธรรมะให้พ่อแม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอคตันอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่สะดวกที่จะตอบแทนบุญคุณเพราะมีภาระกิจอย่างอื่นที่ต้องทําที่สําคัญกว่าเราก็ไปทําภารกิจอย่างนั้นก่อนพอเราบวชแล้วเรามีมีธรรมะแล้วเราก็มาสอนพ่อแม่ต่อไปได้แล้วพ่อแม่ได้ไ ด, ได้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วอาจจะเกิด การมีดวงตาเห็นธรรมเกิดปัญญาขึ้นมาทำให้จิตใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆก็ได้อันนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีกว่าตอบแทนด้วยการใช้วัตถุเงนินถอนคุณนิพาครับลูกเรียนถามว่าลูกได้เลี้ยงดูมารดาติดเตียงดูแลทุกวันเลี้ยงท่านมาตลอดบุญนี้จะหลุดพ้นจากอบายไหมเจ้าคะไม่หรอก จะอุทธรณ์าจากอภัยต้องไม่ทําบาปถ้ายังทําบาปอยู่เรื่องแม่แต่ยังคอยตียุงตบยุงฉีดมแรงอะไรทรับตๆป้องกันไม่ให้มารบกวนแม่อไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบาปต้องไม่ทําบาปถึงจะปิดอภัยได้บุญนี้มันเพียงแต่ตัวที่จะดึงให้ขึ้นสูงแต่จะขึ้นสูงได้บุญนี้ต้องมีกาลังมากกว่าบาปถ้าเราทาําบุญมากกว่าทําบาปบุญถ่ยจะดึงให้เราขึ้นไปไปสวรรค์ได้ ถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะเึ็นให้เราไปอาวายคุณเต้ครับจิตส่งออกตลอดเลยค่ะภาวนาจิตก็คิดตลอดต้องทำอย่างไรครัต้องมันจเจริสติก่อนที่จะมานั่งนะต้องพุโทโธพุโทโธเริ่นตาขึ้นมาก็าพุโทโธเลยเริ่มต้นวันที่การเริ่มต้นของวันที่ดีที่สุดสำนักปฏิบัติก็คือนั่งต้นด้วยพุโทโธเลยตื่นขึ้นมาก็บ ร, ริกรรมพุโทโธเลย อยากไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดเวราไปอาบน้ําน <Flow. S 2> ั่งหน้าแปลนฟ่านพุทโธพุทโธไปหรือถ้าไม่ใช้พุทโธก็อยู่กับการอาบน้ำนั่งหน้าแปลนผ่นเพีอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับให้มันอยู่กับการอาบน้ํำกับการแปลนผ่านกับการกระทําอะไรต่างๆถ้าฝึกอย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธินี้จิตจะไม่คิดอะไรคุณเว้ครับ กลายเป็นถามเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งครับมาแค่นี้ครับเพราะเนี่ยเนี่เพราะไม่มีสตินนั่งสมาธิแล้วคิดปุงแตกทุ่งซ่านมันจะไปมันจะไปนิ่งได้ยังไงเพราะมราเคยฝึกให้มันหยุดคิดมาก่อนต้องพยายามควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดถ้ามันคิดจะพูดโอพูดโอแล้วให้มันคิดอยู่กับเรื่องของร่างกายพอตอนนี้ร่างกายกาลังทําอะไรนั่ คุณสมสวยครับการทําบุญใส่บาตให้ผู้รุวงลับไปแล้วเขาจะได้ไหมคะเราส่งไปได้แต่เขาจะได้หรือไม่ได้นี่อยู่ที่สถานภาพของเขาถ้าก็อยู่ในสถานภาพที่รับรับบุญเขาก็จะได้บุแต่ถ้าก็อยู่ในสถานภาพที่รับบุญไม่ได้เขาก็จะไม่ได้รับเช่นถ้าก็ไปตกนรกนี่เขาว่าออกมารับบุญไม่ได้ถ้าเราไปขึ้นสวรรค์เขาก็ไม่ต้องมารับบุญของเราแต่ถ้าก็เป็นขอทานทางจิตวิ ญ, ญญาณ นี้ก็บรรับไนดะ้เขาทานจิตวิญญาณก็เรียกว่าแปลกนี่คุณสมพรครับถ้าโยมส่งจิตออกนอกคือคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดแสดงว่าโยมยังอ่อนการมีสติอ่อนการภาวนาพุทโธโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะถ้ายัางคิดอยู่ก็แสดงว่าสติน้อยมากคุณสี่เรียนครับ ขอถามว่าคนที่จิตใจไม่สงบและคิดจะฆ่าตัวตายเราจะมีวิธีไหนช่วยเตือนสติให้เขาได้บ้างคะก็ร่ค้อนทำสมาธิใส่ให้เขาฝึกสติหยุดชินถ้าเขาหยุดคิดได้ความคิดจะฆ่าตัวตายก็จะหายไปเพราะเราจิตใจสงบแล้วจิตใจยังไม่ทุกข์นั่นเองจิตใจจะไม่ทุกข์ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องฆ่าตัวตายเหตุที่คนคิดฆ่าตัวตายเพราจิตใจทุกข์แล้วไม่รู้จะวิธีทําให้มันหายหายทุกข์ได้อย่างไร เราก็สอนพิธีให้เขาหายทุกเสียงให้ฝึกสติพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปทั้งวันทั้งคืนรับประกันถ้าว่าเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วทีนี้ก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่คิดฆ่าตัวตายคุณเด็กน้อยครับหากผมยังไม่บรรลุโสดาบานันแต่ตั้งใจจะถือศีลห้าสวดมนต์ทำบุญฟังธรรมภาวนาไปตลอดชีวิตจะรอดพ้นนรกไหมครับถ้าทําอย่างที่พูดนี้ไม่ทํำบาป ก, ก็น่าจะรอดพ้น ถ้าถือสินะไปตลอดชีวิตมันก็มันก็มันก็เปิดอบายได้นะควรจะไม่ถือไปตลาดชีวิตจะดีควรเดี๋ยววันดีคืนดีก็ไปเห็นอะไรเขาก็อยากจะได้ของเข้ามาก็อาจจะขโมยมาีหรือไปไปตกยุงเข้ามากไปอะไรมากอะไรนี่มันก็มันก็มันก็ไม่ได้รักษาสินะให้ครบเลยโดยโอกาสจะไปอบายมันก็ยังมีมันก็ลบก็ยังมี ต้องไม่ต้องไม่ทำบาปเลยนั่รับประกันไดน้แลไม่ทําบาปเลยตลอดชีวิตนี้ตายไปไม่ไปอบายอย่างแน่ น, นอนคุณทัศนาครับกลาวขอความเห็นจากหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเพื่อนทําสิ่งไม่ถูกต้องโยมจะบอกเพื่อนว่าไม่ควรทําจะได้ไหมเจ้าคะหรือจะปล่อยให้เพื่อนทําผิดไปเรื่อยเป็นห่วงเพื่อนเจ้าค่ะก็ะอยู่ที่ว่าเขาปรวาวันาตัวเขาหราาือเปล่าว่าถ้าเราทําอะไรผิดชื่อเตือนเราหน่อยนะถ้าเขาบอกนี่ก็เตือนได้ แต่นั่นเขาไม่บอกเราไปเติอนนอกจากว่าะจะโกรธเราก็ได้คุณพี่ต้องครับผมควรให้คําปรึกษาลูกอย่างไรดีครับเวลาลูกใกล้สอบเขาดูเครียดครับก็บอกว่าลูกคนอย่าดูหนังสือตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ใกล้สอบนะควรอย่าดูทุกวันกลับมาบ้านทําการบ้านแล้วก็ดูหนังสือ บทที่เราจะเรียนต่อเนี่ยนึกนึก ด, ดูทบทวนบทที่เราเรียนมาแล้วคอยทอบทวนอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาใกล้สอบเราจะได้ไม่ลำเลียงเพราะเราเราจะรู้ทุกทุกคําถามที่เขาจะถามเร า, เราจะตอบก็ได้ต้องให้หมัดพยายามทำกันบ้านหมัดพยายามดูหนังสืออยู่เรื่อยๆอย่ามันทําแต่เฉพาะเวลาใกล้สอบเท่านั้นเองคุณฟิโอน่าครับ พ่อแม่ชอบทะเลาะกันอยู่บ่อยๆแม่ปรึกษาเรื่องนี้อยู่บ่อยก็ช่วยแก้ไขปัญหาช่วยพวกท่านทุกครั้งการที่เราบอกวิธีการให้แม่พ่อแม่ทําใจถือว่าไปสอนท่านหรือเปล่าคะในฐานะเป็นลูกควรทําอย่างไรคะอาจารยเข้ามาขอคําปรึกษาเรานี่ไม่เป็นไรสอนได้เพราะท่านถือว่าเขาถือว่าเข า, าเขาเ ข, า, ขาคิดว่าเราเป็นครูของเข า, ขาเถึงมาปรึกษาเรานถ้าเราเข้ามาปรึกษาเรานี่เราสอนได้ แต่อยู่ดีๆต่านเข้ามาปรึกษาเราไปสอนนีไม่นหมกไม่ควรคุณสิวะครับปกติผมนั่งสมาธิขาข้างซ้ายจัดชามากเนื่องจากเคยเกิดอุบัติเหตุแต่พอสมาธิได้ขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมันกับขากับใจแยกจากกันผมจะนั่งช่วงนั้นไปประมาณเกือบชั่วโมงถ้าผมนั่งไปเรื่อยๆจะมีผลต่อขาข้างซ้ายผมไหมครับไม่น่ามีหรอกเพราะว่ามันเป็นการชั่วขาเท่านั้นที่เราดั่ง อ่ามาจากสมาธิสักพักนึงมันก็กลับเป็นปกตินะคุณรัตนวันครับขอเลียนถามว่าคุณแม่ท่านทำเรื่องบริจาคร่างกายไว้แต่ถ้าลูกๆไม่ทำตามที่ท่านแสดงความประสงค์ไว้ลูกๆจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำตามจิตนาของแม่เท่านั้นเองแต่แม่ก็ไม่ได้บุญนะการบริจาคเป็นเปจนาเรื่องไว้ตอนที่ยังเป็นอยู่ เวลาตายไปก็ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ได้รับการบริจาคหรือไมถ้าอยากจะได้บุญต้องทําตอนที่มีชีวิตอยู่เช่นเวลาบริจาคเลือดบอริจาคอาวัยวะบางส่วนไปเช่นไตอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกรับรู้ว่าอ๋อเราได้ทำเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักที่เราสมหวังมันทําให้เราเกิดความสุขใจ น, ะนั่นแหละคือบุญแต่เวลาตายไปนี้ผู้ตายไปแล้วไม่รับรู้เรื่องราว นั่นอยากจะทำบุญต้องทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าเขียนพินายกรรมอย่าเขียนคำสั่งไว้เพราะมันไม่มีผลต่อผู้ค้ร ผ, ผู้สั่งคุณพิทพงครับแนวทางปฏิบัติสมาธิวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตคิดต่างๆนานาก่าวคือเป็นสมุทยัยแต่ถ้าลองกลั้นหายใจแล้วจิตไม่คิดถ้าปฏิบัติในลักษณะนี้จะมีผลอย่างไรเป็นอันตรายไหมครับนั้นไนไม่ได้หรอกที่กั้นหายใจแล้วไม่คิด ถ้าคุณใช้การหายใจได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมั่นไม่ใช่วิธีที่จะหยุดความคิดวิธีที่จะหยุดความคิดต้องใช้สติคือใช้ธรรมบริกรรมโดยใช้จิตให้โคตรให้เกาะติดอยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถึงจะหยุดความคิดได้คุณเล็กครับ การที่ยังไม่ได้ความสงบในอปนาสมาธิหรือฌานสี่สามารถดูจิตหรือพิจารณาจิตได้ไหมครับไม่ควรถ้าเราทำสมาธินีเราไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นให้ดูลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวถ้าไปทำอย่างอื่นมันก็จะไม่ได้ฌานถ้าเราต้องการชานเราต้องใช้การดูลมอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวไปคุณมาริสาครับ คุณพ่อสามีท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลตอนส่งร่างท่านกลับบ้านด้วยรถพยาบาลมีเครื่องบันทึกเสียงคล้ายลําโพงขนาดเล็กบันทึกเสียงสดมนวางไว้ข้างหูของท่านอยากทราบว่าผู้ตายจะได้รับอนิสงค์จากเสียงสดมน์ให้ไปสู่สุคติไหมคะไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้ยินแล้วเข า, าอยากจะให้เขาได้ยินต้องทำตอนนี้เขายังไม่ตายคุณฉันชนก ขอเรียนถามทำบุญให้ผู้ที่ตายไปแล้วแต่ผู้ตายไม่ได้รับส่วนบุญเพราะอะไรคะเพราะสถานะภาพของเขาคนี่ ย, ยวันนั้นไมีร้ายไมีร้ายสถานภาพขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้บาคนตายแล้วก็ไปนรกอย่างนี้ก็ออกมารับบุญไม่ได้บาคนตายแล้วไปสวรรค์ก็ไม่ต้องมารับบุญที่ที่ส่งไปเพราะบุญที่ที่อยู่ในสวรรค์นี่มีมากกว่าบุญที่เขาที่เราส่งไปให้เขาก็ไม่จาเป็นจะต้องมารอรั บ, บ ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะมารับบุญได้สามารถไปทําบุ ญ, ญด้วยตัวเองได้มีพวกเดียวอย่างนี้ผููดก็คือต้องเป็นพวกขอทานทางจิตวิญญาณพวงนี้ก็คือพวกเปรตเราเรกพวกเปรตรพวกนี่ผู้ที่จะมารับส่วนบุญพวงนี้ที่เป็นเปรตเพราะว่าตามที่เป็นมนุษย์อยู่ไม่ทําบุญชอบทําบาปชอบรักขโมยก็เลยไปเป็นเปรต คุณเล็กครับพระอรหันต์สามารถรู้วาระจิตของบุคคลได้ใช่ไหมครับบางองค์พระองค์ก็ไม่ได้ท่านี้เป็นความสามารถพิเศษไม่ได้เป็นตัวที่จะติดมากับการเป็นพระองค์มังหันตางงนะฮะแล้วก็อ่านวาระจิตผู้อืไม่ได้ไม่มีไม่มีอภินญาพระองค์มีพระองค์ไม่ ม, ม, ม, งง ม, มีส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนนี้มีนี่จะเป็นส่วนน้อย คุณน้ำหวานครับระหว่างนั่งสมาธิหลงบ่อยมากคะนั่งแล้วได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นปฏิบัติผิดไหมคะบางทีก็อึดอัดค่ะน้องบอยก็สแสดงว่าไม่มีสตินั่นเองพยายามฝึกสติให้มากและอย่าไปสนใจกับเรื่องเสียงหัวใจเต้นให้อยู่กับพุทโธและอยู่กับลมหายใจเาออกเป็นเพลงอย่างเดียวคุณเวกครับ การเป็นถามนั่งสมาธิจิตไม่นิ่งทั้งที่ก็ภาวนาอยู่แต่จิตก็คิดไปเรื่อยเหมือนทําทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันรู้สึกลาคาญตัวเองมากไปค่ะทําอย่างไรให้นิ่งได้เจ้าคะก็ได้เราตองฝึกสติอย่างที่พูดนะฝึกสติการที่ยามานันนาฝึกมากๆึกเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเวลานั่งสมาธิจิตจะได้นิ่ง คุณอรรยาครับตอนนั่งสมาธิรู้สึกเบาสบายและเห็นความคิดพร้อมๆกันพอเห็นความคิดนี้โยมควรจะตัดทิ้งมาละ ล, ะลึกถึงพุโทโธหรือควรจะเลือกดูความคิดที่ไร้สาร ะ, ะก็ตัดทิ้งส่วนความคิดที่จะสร้างบุญบา ร, รมีให้คิดต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่ขึ้นไปเจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธิต้องหยุดความคิดอย่าไปยุ่งกับความคิดให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคุณลุงครับ ในขณะที่เราสวดมนต์แต่ใจเผลอไปคิดเรื่องนั่นนี่เรื่องนี้แต่ปากก็ยังสวดมนต์ไปอยู่เรื่อยๆแบบนี้เราจะได้รับอันใดสองผลบุญใหม่เจ้าคะไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบนะคุณประชาครับจากคําอุทิศที่ว่าใครทุกข์ขอให้สุขใครสุขขอให้สุ ข, ข, สขยิ่งยิ่งขึ้นกําลังพยายามฝึกสงสัยครับว่าถ้าคนที่ทุกข์เพราะมีกิเลสเราควรทําอย่างไรหนึ่งช่วยเขาทําตามอยากหรือสองเฉยๆไม่ยุ่ง หรือสามขัดขวางเขาให้ทําแต่ดีครับเรื่องของของเขาเนี่ยจะสุขุจจะทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องแก้คนอื่นแก้เขาไม่ได้เราทําได้ก็เพียงแต่นั้นวิธีแก้นั่นเองว่าถ้าคุณทุกข์ใจก็ให้รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของคุณคนหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปถ้าคุณไม่มีความสุขคุณอยากจะมีความสุขก็ไปทำบุญทำทานซะก็แนะนำเขาได้แต่เรา ไม่ควรไปทําอะไรอย่างอื่นถ้าเขาไม่ต้องการให้เราแนะนำํำเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาคนเราจะเวียนว่า้ตายเกิดกันสักเท่าไหร่ครับ อ, อนับไม่ถ้วนถ้าคุณเขียนด้วยแต่แรลเนี่ยมันเขียนเขียนเต็มหน้าจอนี้เขียนแรกถึงว่ตามเรื่องเลขศูนเต็มหน้าจอนี้มันก็ยังไม่ยังไม่ไม่หมดกับจํานวนที่คนเรียนไหวาตายเกิด คุณเจ้าบอกอยากจะรู้ว่าเวียนมาตายเกิดมานานเท่าไหร่ให้เอาน้ำตาที่คนหลังในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันมันมากยิ่งกว่าน้นาแม่มหาสมุทรี น, นั่นแหละคือจานวนของพกชาติที่เราได้เวียนมาตายเกิดกันมาคุณวันเพ็ญครับการที่เราร่วมทาบุญร่วมใส่ซองกะถินเพื่อชาระน้สงบริจาคใส่ตู้ต่างๆ เราจําเป็นต้องจบหรือกล่าวสิ่งใดไหมคะหรือสามารถร่วมทําบุญเฉยๆตามที่เราตั้งใจเท่านั้นพอไม่ต้องถล่ไม่ต้องกล่าวเลยครับก็กล่าวมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับคุณนานาครับเวทนากับวิญญาณเป็นความรู้สึกต่างกันยังไงคะจะแยกยังไงว่าอารมณ์แบบนี้คือเวทนาหรือวิญญาณคะเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมีสามมีสามสามเวทนา สุขเวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็คือเวลาเรามีความสุขนะเราเรียกว่าสุขเวทนาเวลาเรามีความทุกเวลาร่างกายเราปวดท้องปวดหวดัวนี่เราต้เรียกว่าทุกขเวทนาแล้วก็เวลาที่เราไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์มันก็เป็นไม่สุขไม่ทุกเวทนาส่วนวิ ญ, ญญาณนี้เป็นตัวรับรู้รูปสิ่งกินรสที่เข้ามาสัมผัสตต า, ตาหูจมูกลิ้นกายพอตาเห็นรูปปัป๊บก็ มันก็ปรากฏขึ้นมาในใจให้เรารับรู้ว่าตอนนี้เราเห็นรูปคนนั้นคบ น, นี้นะฮะนี่คือวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูก็ก็เป็นเสียงวิญญาณทางจมูกก็เป็นเปลิดวิญญาณทางลิ้นก็เป็นรสรับรู้ด้วยมาแบบนี้เป็นผู้เป็นผู้รับรู้เรื่องราวแบบนี้เรียกว่าวิญญาณคุณหนุ่มครับนิพพานไม่ใช่เมืองแต่คือสภาวะธรรมใช่หรือเปล่าครับ ไม่ว่าจะทําบาปมาแค่ไหนเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็จะสามารถเข้าถึงนิพพานในชาติปัจจุบันใช่หรือเปล่าครับได้เนีย่ยองค์ณริมาฆ่าคนทำฆ่าร้อยเก้าสิบเก้าคนมาแล้วก็ยังเข้านิพพานได้แต่ต้องมีคนสอนวิธีเข้าถ้าไม่มีคนสอนวิธีเข้าก็เข้าไม่ได้ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนวิธีเข้านิพพานให้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ูสุพรครับเวลาฝึกนั่งภาวนาทำไมเผลอหลับตลอดเลยคะไม่มีสติเนึ่งกินข้าวมากกไ ป, ไปกินมากเกินไ ป, ไปกินมากแล้วหนังเท้ามันจะเติงแล้วก็หนังตาจะหยอดคุณดุสิตธรครับถ้าช่วงที่มีเคราะกรรมมีผู้ใหญ่แนะนำให้บวชไม่ทราบว่าสามารถจะบรรเทาเคราะกรรมได้หรือไม่คะ ไม่ได้หรอกคือข้อกรรมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่การไปบวชนี่ยอาจจะเป็นการอ่าเป็นวิธีที่จะรับเ้ากรรมได้ได้ได้วิธีหนึ่งที่ดีคือถ้าเราไปบวชเราก็จะไปฝึกสมาธิฝึกอะไรก็อาจจะทําใจให้ทุกข์แล้วจะไม่ทําใจให้เป็นอุเบกขาให้ เ, เฉยแล้วเราก็จะไม่ทุกกับข้อกรรที่เกิดขึ้นกับเราได้ คุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องการดูลมหายใจขนาดนั่งสมาธิ ค, ค่ะตอนนี้ดูลมที่ท้องค่ะแต่จะไปคอสวิปัสนาหาความรู้เพิ่มแต่เขาเป็นแบบดูลมที่จมูกตอนนี้ลองมาดูที่จมูกแล้วมันกลายเป็นเหมือนเพ่งครับก็อย่าเป็นเพ่งแต่ดูเฉยๆไปเลย <c oughs> ดูดูกับเพ่งมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพ่งก็เพ่งเลยไลดูไปนั่นเองดูที่ท้องอย่างไรก็มาดูที่ปลอยหงายเมื่อน่าจะมีปัญหา แต่ถ้าดูที่ปลายยาหมอกไม่ได้ก็กลับไปดูที่เท้าไม่ได้เวลาเราดูเราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราดูที่เท้าแล้วกันใคาดูที่ปลายบาหมอกเราก็ดูที่ท้ามันก็ได้สองวิธีเหมือนกันมันก็เป็นการดูรวมเหมือนกันเพียงแต่จุดที่เราดูมันต่างกันนั่นเองคุณกล้องครับกราบเรียนถามพระคุณเจ้าถ้าเราถามมารดาก่อนยังอยู่ตอนยังอยู่ว่าถ้าท่านเสียไปแล้วจะทําอะไรให้บ้างเช่นการสวดกี่คืนหรือต่างๆจะเป็นการบาปไหมครับ ก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านอยากจะพูดกับเราหรือไม่ถ้าเราแกล้งถามว่านู่นก่อนนะคุณแม่อยากให้ลูกทําทอะไรหลังจากที่คุณแม่เสียแล้วก็เราถามดูได้ถ้าท่านบอกอย่าพูดอย่าพูดพูดแล้วทาให้แม่สบายใจก็อยากูดแต่ถ้าท่าบอกเออช่วยทำอย่างนี้อย่างนี้นะอทําบุญสามวันเจ็ดวันอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เราก็ถ า, ถามทางที่ท่สั่ก็ได้คุณพัทระครับ เมื่อทุกชีวิตต้องตายเป็นพุทธศาสตร์สนิกชนอย่างพวกเราต้องมีสติรักษาสีเจริญภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วกำหน ด, ดดูอาการของจิตเฉยเฉยโดยถือว่าเป็นสภาวะปัจจุบันทำได้ไหมครับหรือควรต้องทำอย่างไรครับถ้าจิตเฉยเฉยแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรละอะไร okay. เวลามีอะไรเกิดขึ้นเวลาจะเจ็บจะตายจิตเฉยได้ก็หมดปัญหาไปแล้วคุณอนิกาครับ การที่ปล่อยวางได้ในทุกกรณีนี่คือดวงตาเห็นธรรมไหมคะใช่เป็นผลจากการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมดาพอเวลาอะไรจะดับเห็นอะไรดับเราก็เฉยเฉยเราปล่อยวางได้คุณเด็กน้อยครับศีลพระตะประมา m a คื อ, อยังไงครับถ้าเราตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะถือศีลแปดให้ครบปีอย่างนี้เป็นศีลพระตะระตะป arama ศ์ไหมครับ เอาไม่คือความลังเลสงสัยในศีลเนี่ยเรียกวศิลปัตตาปรามาคือไม่รู้ว่ารักษาศีลแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างก็เลยลังเลสงสัยครับไม่ว่าลูกคำศีลแต่คนที่เชื่อว่าการรักษาศีลมนการปิดบานไดอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นศิลปัตตาปรามากคุณพลครับเทวดามีจริงไหมครับถ้ามีจริงเราขอพรจากเทวดาได้หรือไม่ครับ วีจริงแต่เทวดาเราติดต่อเขาได้ไหรือเปล่าต้องติดต่อเขาให้ได้ก่อนแต่การรับพรจากใครก็พรนั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาให้เราขอพรจากพระอรหันต์พระเจ้ า, จาขอให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่เปลี่ยนความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่นีนกการรับพรหรือให้พรนั้นเป็นการให้ความปรารถนาดีเท่านั้นงแต่ไม่ได้ให้ความจริงขอให้สุขเจริญให้นําให้รวยนี่นก็พูดได้ ถ้าม really? mm ันจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกใช่ไหมงั้นอย่าไปเสียเวลาขอพรจากใครเลยมาสร้างเหตุที่ทำให้เกิดทุนที่เราต้องการดีกว่าอยากเช่ารวยก็ไปขยันทำงานหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้อย่าใช้เงินมากต่อไปก็รวยได้คุณอธิษฐ์ครับขอการสอบถามพระอาจารย์ครับการชื่นชอบในเสียงดนตรีการเล่นดนตรีที่สร้างความบัเทิงให้แก่บุคคลอื่น ถือว่าเป็นกิเลส ท, ที่มีความอยากต่อเสียงด น, นตรีใหม่ครับเป็นขัรร้นการมชันต์อามีเนในเสียงเสียงนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้จิตใจนี้ติดเหมือนยาเสพติดพอเราไม่ได้ฟังเสียงด น, นตรีเราจะรู้สึกเศร้าหือเหงาได้ต้องคอยมีด น, นตรีให้ฟังอยู่เรื่อยๆคุณมาริษาครับการได้ฟังธรรมตอนใกล้ต า, ายจะเกิด ศาสนีปฏิหารทำให้ผู้ตายไปสู่สุคตินี่จริงไหมคะขอความเมตตาค่ะมันก็แล้วแต่อยู่สองส่วนทาที่ผู้แสดงให้นั้นเป็นทาที่ที่จริงหรือเปล่าที่ที่แท้หรือเปล่าแล้วผู้ฟังมี้สามารถที่จะนํามมาไปทําใจให้หยุดพ้นได้หรือเปล่านั่นมันอยู่สองส่วนถ้าผู้ฟังผู้แสดงคำหนึ่งพระพุทธเจ้า แล้วผู้ฟังเช่นพ่อพระเจ้านี่ตั้งใจฟังแล้วเชื่อฟังน้วเนาไปทําตามที่พระเจ้าสั่งก็สามารถบรรลุทำได้ไปสู่สุคติได้ขอบีกข้อนะครับอาจารย์ครับคุณเอกชัยครับปัญญาจริงๆคือการหยุดกระแสความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ น, นั่นคือสติสติคือการหยุดกระแสของความคิดปัญญาคือความคิดในทางที่ถูกที่ตรงกับความเป็นจริง เห็นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นความจริงเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าไปคิดว่าทุกทุกอย่างจะเป็นของถาวรเนี่ยแสดงว่าเป็นความความหลงไม่ใช่เป็นความจริงเแล้วไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สุดอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นความหลงไม่ใช่เป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาจะต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกถึงจะเรียกเป็นปัญญาเพราะมันเป็นความจริงอาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังธรรมในเฟซบุ๊ก 8ปดร้อยสี่สิบห้าคนใน y o u ู u เก้าร้อยห้าสิบสี่คนในครับ h า u สิบหกคนวันนี้มีคนฟังทรหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าคนนะครับอาจารย์ครับมีเรื่องความตายรู้สึกคนจะสนใจกันมากเนะี่ยรายการที่อันนั้นที่หกสิเอดและวกสิบสองตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ครับโอ้สองแสนกว่าครับอาจารย์สองแสนกว่านะสองแสนสองแสนไปแล้วครับเนือง ไ, 1> 1, 2, ไนนะความถ้าถ้าเราต้องตายในวันนี้ใชไม่ได้ยังไงเลื่อนเดี๋ยวขออาจารย์แป๊บนะครับ เรื่องช่ถ้าตายในปีนี้ครับอปีสุดท้ายของชีวิตทําอย่างไรครับผมจะทำอย่างไรอันนี้เหมือนกันอันนี้อาจจะขึ้นถุงสายก็ได้ว่ามันเรื่องใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันรแสดงถ้ามีคนสนใจดูสดนี้ต่อไปคนดูในพายรันเดี๋ยวเอาไปแชร์กันก็ได้<ช>จะได้คออ ค, คิดที่ดีว่า เ, ออเราจะต้องเตรียมตัวตายกันนะเพราะเราจะต้องตายกัน เราสามารถตายอย่างไม่ทุกข์ได้ถ้าเราเตรียมทับการบ้านไว้ก่อนใช่ครับโอเคก็คิดว่าเป็นคงหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับการแต่งธรรมในคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอสาทุกขลา ท่านผู้ชมผู้ฟังแลวคุณหมอไปเพียงเท่านี้แล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเช่นความตายก็คงจะได้พบกันในโอกาสหน้าในอาทิตย์หน้าเช่นเดิมครับขอบคุณพระอาจารย์ครับถึงขอลาไปก่อนเจริญพร